สัมพุทตสัตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตสันะโมตัสสะ พควตโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพควตโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพควตโตอระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ ทุตังสรรนังคตฉามิพุตังสรรนังคตฉามิธัมมังสรรนังคตฉามิธัมมังสรรนังคตฉามิสังขังสรรนังคตฉามิสังขังสรรนังคตฉามิทุติยมเปพุตังสรรนังคตฉามิ ทุติยมปิพุทังสระนังกัจฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยมปิสังคังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสระนังคัจฉามิตัติยมปิ พุทธังสรนังกัจฉามิตั an ติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิต an ติยัมปิธัมมังสรนังคัจฉามิตัติยัมปิธัมมังสรนังกัจฉามิตัติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิ ติดิียัมปีสังขังสารนังกัจฉามิติดสนัคขมนังนิทิตังอามะภันเตยขอกลับคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบเทศการมูสมณะได้บุษิตุรูปด้วยความเคารพครับ เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ชุมชนราชธานีอโยศและอยู่ที่บ้านทุทกๆคนวันนี้ในะรายการวิถีอาิยธรรมกับพระท่านเช่นเคยนะในวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2 5งพตรงกับขึ้น15ค่ําคำเดือน9ปีมะเมียนะวันนี้เป็นวันพระ ขึ้นสิบห้าค่ำนะพระด้วยนะอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นวันศาสตร์จีนด้วยครับอ๋อศาสตร์จีนอีกหนอ่งศาสตร์จีนครับครับวันนี้วันศาสตร์จีนด้วยนะเอ๊ะวันพาะเก้าค่ำเนี่ยสิบห้าคครับเอ้ยสิบห้าค่ำนสี่วันพระนะห้าค่ำเนี่ยวันขึ้น15บห้าคำศาสตร์ไทยนี่จะเลิเดอก้าเดือนสิเดือน10ครับเดือนสิเิ สัตไทยกลางเดือนสิบสัตจีนตอนนี้นะขึ้นส5บห้า่ำเดือนเกนะ้าคนเขาก็ไปไหว้เจ้ากันนะทำวิธีกันต่างๆนานาแล้วก็ใกล้วันแม่ไปด้วยนะวันแม่เนี่ยตอนนี้เหตุการณ์วันแม่เนี่ ย, นนนนนยคนเขาก็ไปบูชาแม่กันนะเขาก็จองดอกมะลินะไปบูชาแม่นะ ซึ่งดอกบะลิเนี่ยถ้าที่นครสวรรค์เนี่ยจากราคาประมาณกิโลละร้อยบาทหรือเท่าไหร่นะโอ้โหตอนนี้ขึ้นไปห้าร้อยบาท เ, เรานึกว่ากิโลหนึ่งิขีดที่อุดรเนี่ยหกขีดมันหกรกว่าบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยแต่มันขึ้นไปสามรอยกว่าบาทคือดอกมะลิตอนนี้แย่งกันที่จะเอาไปบูชาแม่เพราะว่ามันไม่มีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยยังดีนะแย่งดอกกุหลาบไปบูชาแม่เนี่ยยังดีไอ้แ ย, ย่งเขไม่ใช่แอ่ดอกมะลิไปบูชาแม่ไอยย้แยงดอกกุหลาบไปบูชาแฟนนี่มันครับ อ, <c oughs> อันนั้นไม่ควรนะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้แหละเขาก็ไปบูชาแม่กันนะตาม <c oughs> ที่คือก็ตามก็ยังดีเป็นอุปนิ谛ที่ยังไปเคารพ บ, บ, บูชาแม่นะแต่ว่า สิ่งเหล่านี้มันมีน้อยไงคนเขาก็เลยต้องแย่งกันนะต่างะนานาซึ่งในสิ่งที่คนบูชาไว้เนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยนะพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยนะก็เคยมีความฝันไว้นะในเรื่องเกี่ยวกับความฝันของพระราชานะศา ส, สดาพยากรณ์บอกว่าฝันเรื่องที่สามนะ่ะนะมันมีหลายเรื่องนะ เพราะว่าหมอมชันเนี่ยหมอมชันฝันเห็นว่าแม่วัวตัวใหญ่พากันไปดูดนมของฝูงลูกวัวที่เพิ่งเกิดในวันนั้นอะไรเป็นผลของความฝันเรื่องนี้พระเจ้าค่ะคือฝันแปลกอะครับแม่งวัวไปดูดนมลูกวัวครับคือแม่วัวไปดูดนมลูกวัวเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะคือฝันแล้วก็งงถ้าเป็นผมฝันผมก็งงกันให้เราคิดได้นะ ผู้จ้าก็บอกมหาบุพิษแม้ผลของความฝันเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกันคือจะมีผลในเวลาที่มนุษย์ทั้งหลายพากันละทิง้งการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มไม่ตั้งอยู่ในความยำเกรงพ่อแม่หรือพ่อแม่หรือพ่อตาแม่ยายเราลูกหลานต่างสแสวงหาทรัพย์ด้วยตนเองได้แล้วมเมื่อนึกอยากจะให้ของกินของใช้แก่ผู้ใหญ่ก็ให้แต่พอนึก ไม่อยากจะให้ก็ไม่ให้อคือยิ่อยากจะให้ก็ให้ไม่ใหไ้ไม่อยากให้ก็ไม่ให้พวกคนแก่จึงบทที่พึ่งเมื่อหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ก็ต้องง้อพวกเด็กๆ เ, เลี้ยงชีวิตไปมแม้ภัยเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดแก่พระองค์เช่นกันคือตอนนี้ยังไม่เกิดแต่ในอนาคตเกิดแน่นะตอนนี้ก็สังคมก็เห็นอยู่แล้วตอนนี้ชัดเจนอตอนนี้เขามีแม่อุ้มบุญอิก ตอนนี้เป็นข่าวคือหามากเลยแม่หาเงินมันหาเงินมันจะมีไม่มีทางหากินละครับเอาสารพัดคือตอนนี้กลายเป็นว่ารับจ้างกระดูกซี่โครงเนี่ยครับอุ้มบุญเนี่ยครับรัจ้างทองลูกอรับจ้างทองลูกเเขาอแล้วก็มีคดีเกิดขึ้นกันที่หลังก็คงรับจ้างขี้แทนกันโอ้ยมันไง เือจะมีรับจ้างเนี่รับจ้างใช้เงินมีไหมเนี่ยเออรับจ้างใช้เงินเนาะครับเออใครจะมาจ้างจังไอเราไม่เอาคนหนึ่งอะรับจ้างใช้เงินเมื่อตายเลยคือเงินเขาเยอะมากบอกว่าบางคนเนี่ยคนรวยมากๆระดับโกลกเนี่ยเขาไม่มีเวลาใช้เงินจริงจริงนะเออเอาไปจ้างคนนี้ใช้นะเอาเงินไปจ้างคนนี้ใช้เอาไปใช้เงินให้น่อยจ้างด้วยโอ้แตใครจะรับจ้างวันนี้ยกมือ S 1> <S 1> <S มีคนยกน <S <S อันนี้พ่อครูเนี่ยเขียนไว้ในสันค่าสร้างคนเกี่ยวกับเด็กนะไว้ประเด็นหนึ่งซึ่งกเกี่ยวกับแม่และเพราะครวกว่าเด็กจเจริญหรือตกต่ำเนี่ยมีสี่เหตุนะมีสี่เหตุนะหนึ่งกรรมเก่าของเด็กคนนั้นสองตัวเองสาสิ่งแวดล้อมสี่ผู้เลี้ยงดูอบรม มีสี่ประเด็นนะซึ่งซึ่งก็ยังไม่มีใครใครกําหนดอย่างนี้นะมีพ่อครูในกําหนดเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะมาว่ายังไม่มีใครเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นยังไงไปโทษคนโน้นคนนี้แต่เนี่ยละไดเอามาเทศเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเด็กจะดีและไม่ดีขึ้นกับสี่อย่างหนึ่งกรรมเก่าสองตัวเองสามทิ้งมาล้อมสี่ผู้เรี้ยงดูอบรมเป็นสิ่งสำคัญก็คือเกี่ยวกับแม่ด้วยแหละนะทุกวันนี้เราจะเห็นว่า แม่ก็จะไม่ค่อยเลี้ยงดูบรมก็จ้างเขาเลี้ยงนะ <c oughs> แล้วก็อะไรไปโรงเรียนก็หาโรงเรียนที่เรียนเก่งๆนะ <c oughs> สิ่งแวดล้อมเป็นไงไม่สนใจครูเป็นไงไม่สนใจพฤติกรรมครูเป็นไงไม่สนใจแล้วแต่ว่าให้ลูกเก่งตามเข้าไปตามสังคมที่เวียนไปนะ <c oughs> แล้วแม้แต่เด็กส่งมาเรียนสมาศิขาก็แล้วแต่เนี่ยนะ <c oughs> จริงๆแล้วพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมกลับไปก็พาลูกผิดศีลบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็พอจบไปแล้วก็ อยากล่ามอยากรวยก็พาไปางั้นพอลูกมีปัญหาปุ๊บก็ทุกข์ก็เดือดร้อนนะซึ่งก็ยังไม่เข้าใจในประเด็นดนี้นะงั้นวันนี้พวกครูอาจจะเฉลยในสีประเด็นดนี้ที่เขียนเอาไว้เขียนไว้จําไม่ได้ละครับเอาตำลามาก่อนครับไอ้ที่บันทึกไว้เนี่ยนะอ้ามียังคุยพูดอะไรอีกครับก็ถ <laughs> <laughs> <laughs> <ir> ือว่า ign ign <like> <laughs> สิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้หลอมเยา ว, วชนเ <laughs> พราะว่าสิ่ง แม้แต่สี่ประเด็นนี้แตมาว่ามันก็เป็นพฤติกรรมของแม่ที่เกิดมาด้วยซึ่งอแตมาสิ่งนี้แตมาก็เอาไปสอนเด็กแล้วก็บอกให้เด็กจําไว้ว่าเนี่ยชีวิตเรามาเนี่ยจะเป็นจะดีหรือไม่ดีก็บอกลูกเอาไว้ด้วยว่าตัวเองจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสี่ประเด็นนี้เพราะว่าคนที่บัญญัติดีขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเพราะคูเป็นพระโพธิสัตว์ที่บัญญัติสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาท่านก็ต้องรู้ว่า จิตใจมนุษยชาตินะ่ยควรจะอบรมยังไงให้มันเกิดความดีขึ้นเกิดความประเสริฐขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมองออกได้มองชัดเจนเพราะว่าพระโพธิสัตว์คือท่านได้ผ่านการอบรมสั่งสอนมนุษยชาติมายาวนานเท่าไร่อตาตมาไม่รู้แต่รู้ว่านานนะอย่างพวกครูเนี่ยโพธิสระดับเจเนี่ยก็คงนานมากนะไม่รู้อตาตมราระลึกชาติไม่ได้แต่ก็เดาๆว่าคงเป็นล้านชาตินะ เดาเเพราะว่าคงไม่ได้ใช้ง่ายๆที่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็คงจะไปอีกยาวนานก็จะเป็นผู้เจ้าอะไรเงี้ยดังนั้นท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าประชาชนเนี่ยหรือมนุษย์ชาติเนี่ยควรจะอบรมยังไงให้เกิดผลในทางที่ดีในทางประเสริฐของชีวิตก็ต้องข อ, อกราบในบนพระครูด้วยความเคารพครับก่อนจะได้พูดถึงเรื่องว่าเด็กเนะี่ที่จะเจริญได้หรือตกต่ำนี่เพราะเหตุสีประการนี้วันนี้วันแม่ก็พูดถึงแม่ก่อน แม่ต้องมาก่อนลูกแน่นอนลูกเกิดก่อนแม่เนี่ยมันไม่มีไม่มีในมหาจักรวาลเนาะมันต้องแม่ต้องเกิดก่อนลูกต้องพูดถึงแม่ก่อนวันแม่นะความเป็นแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความลึกซึ้งของคำว่าธรรมะเนี่ยมันลึกจริงๆ พ่อก็ยิ่งใหญ่แม่ก็ยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่เปคนละเชิงนะเทตมาพยายามย้ำพยายามเน้นในศัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เอามาตราไวบ้บัญญัติไว้ให้รู้ว่าแม่กับพ่อเนี่มันสําคัญมาตาปิตานะแม่มาตา ปิตากับพ่อภาษาบาลีก็มาตาภาษาบาลีว่าปิตาพ่อมาตาแม่ยิ่งใหญ่ในมหาจักรวาลนี้แล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะเป็นตัวสร้างเป็นตัวทำเกิดตลอดเวลาให้เกิดได้ถ้าไม่มีแม่ไม่มีพ่อก็ไม่มีอะไรเกิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มัน ไม่ใช่จิตนิยาไม่ใช่การเกิดทางชลาพุชะไม่ใช่การเกิดทางสังอันตะพุชะไม่ใช่การเกิดทางแบบชีววิทยาอย่างชลาพุชะนี่เกิดทางเกิดในมดลูกมีน้ำคร่าน้ำเลี้ยงในมดลูกเรียกว่าชลาพุชะโยนิอันเกิดทางคัน มีห้องให้อยู่มีน้ําเลี้ยงน้ำหล่อแล้วก็ลูกก็ค่อยๆโตขึ้นมาในนั้นแล้วก็เคลอดออกมานั่นเรียกว่าฉลาพระเจ้าฉลาในปลว่าน้ำมีน้ําเลี้ยงน้ําหล่ออยู่ในมดลูกส่วนอันทชะนะ้นเกิดจากไข่นะ่าเกิดจากไข่เกิดมาเป็นไข่แล้วก็เกิดจากไข่อีกทีเรียกว่าอันทชะโยนิ สังเสริชานั้นเกิดจากการแตกตัวเกิดจากการแบ่งตัวเกิดจากการสังเคราะห์ที่มันไม่ใช่สองแบบนั่นแหละไม่ใช่ทั้งฉลาพุ ช, ชะไม่ใช่ทั้งอันตชาเป็นการเกิดของสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์อีกระดับหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะเรียนท่านรู้หมดท่านต้องรู้เพราะว่าท่านศึกษาคนก็ศึกษา สังคมมาตลอดที่อาตมาบอกแล้วว่าเป็นคนอาตมาเป็นบริษัทอาตมายังรู้อาตมาศึกษาอะไรที่อาตมาพูดก็พูดเพราะเราก็เป็นคนอย่างนั้นแล้วก็เห็นความสําคัญอย่างนั้นว่ามันไม่มีอะไรสําคัญเท่ามนุษย์กับสังคมที่จะจะช่วยกันเพราะทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติที่มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มันไม่รุนแรงแต่มนุษย์นี่รุนแรง ไม่ว่าจะเลวก็รุนแรงไม่ว่าจะดีก็รุนแรงดีก็รุนแรงได้เลวก็รุนแรงได้จริงๆและเป็นสิ่งที่มันเพื่อมันรุนแรงมันก็ทาลายนอกจากทำลายแล้วมันสร้างก็เรื่องอะไรเราจะปล่อยให้มันทำลายหรืเราก็ต้องมาช่วยกันสร้างใช่ไหมเรารู้อยู่เราก็ต้องมาช่วยกันไอสิ่งที่มันช่วยสร้างอย่าไปช่วยให้มันทำลายเลนะ คำว่าเป็นแม่เป็นพ่อนี่มันหมายถึงลึกซึ้งไม่ว่าจะจะเป็นสัตว์เป็นวัตถุเป็นพฤติกรรมเป็นจิตวิญญาณเมื่อกี้นี่พูดไปสามกำเนิดกําเนิดที่สี่คือจิตวิญญาณโอปปาติกะโยนิเมื่อกี้พูดฉลาพเลัพุชะโยนิอันตชะโยนิสังเสตชะโยนิโอปปาติกะโยนิ ปปติกาคือจิตวิญญาณการเกิดทางจิตวิญญาณอันนี้แหละเป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่โลกโลกไหนๆใบไหนๆก็ตามเถ้าไม่ใช่คนในระดับตระกูลโลกุตระตระกูลของพระพุทธเจ้าไม่มีทางจะศึกษารู้ได้จะต้องมาเรียนรู้ทฤษฎีนี้ของอันนี้เท่านั้นจึงจะรู้ไม่งั้นไม่มีทางรูอ่นะ เมื่อท่านรู้วท่านก็เอามาประกาศแก่โลกคําว่าแม่คําว่าพ่อนี่อัตมาเคยพูดว่าศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อเป็นต้นเป็นหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์หรือว่าเป็นคุณลักษณะสองอย่างศีลอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งและศีลกับปัญญาเนี่ยช่วยกันสร้างให้จิตอธิศีลอธิ จ, จิตอธิปัญญาในศีลกับปัญญา ช่วยให้สร้างให้จิตเป็นอธิจิตให้จิตสูงจิตเจริญนี่แหละศีลกับปัญญาจึงเป็นแม่เป็นพ่อทางโลกุตระทางโลกถ้าโอปปปาติกะโยนิทางจิตวิญญาณในเกิดจิตวิญญาณเจริญพัฒนาขึ้นได้เหมือนล้างมือนด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในศีลกับปัญญานี่ช่วยกันกล่อมกล้าวขัดกล้าวสร้างสอบซันขึ้นมา ซึ่งเป็นนามธรรมเป็นเรื่องจิตวิ ญ, ญญาณที่เป็นของจริงที่พระเจ้า ต, ต ร, รัสรูนามธรรมหรือจิตวิ ญ, ญญาณนี่ยิ่งใหญ่ไม่ง่ายเลย ม, มันละเอียดมันบางเบามันแตะไม่ติดมันจับไม่ติดมันจับสัมผัสมารู้ยากนะมันไม่ใช่วัตถุมันเป็นนามันทำมันเป็นพลังงานที่ละเอียดลึกซึ้งมากพระเจ้า ต, ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็เอามาบัญญัติ เป็นทฤษฎีสอนไว้แม่ทางองค์ประกอบในสังคมนี่ก็เป็นแม่เป็นพ่ออยู่ในตัวซ่อนอยู่ในตัวมีลีลามีกิริยามีความเคลื่อนไหวนะเรียกว่าภาวะเพราะฉะนั้นเป็นภาวะอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าภาวะ แบบแม่ท่าเรียกว่าอิทธิภาวะภาวะอย่างหนึ่งเป็นอย่างพ่อท่าเรียกว่าปุริสภาวะเพราะที่อาการสองอย่างเนี่ยอาการทางปุริสภาวะก็ดีอาการทางอิทธิภาวะก็ดีจึงเป็นอาการที่มีตําหนักมีฤทธิ์มี แรงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการเกิดการเป็นขึ้นมาได้นะทั้งสองอย่างนี้ทิ้งไม่ได้หรอกคนจะรู้จักปุริสภาวะจะรู้จักอิทธิภาวะได้ก็ต้องมีความเข้าใจตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดละเอียดจนกระทั่งเราสามารถรู้ได้ว่าโอ้ลักษณะอย่างนี้อาการอย่างนี้กิริยาอย่างนี้องค์ประกอบอย่างนี้ คือแบบแม่แบบเพศเมียอย่างนี้เป็นแบบพ่อแบบเพศผู้แบ่งลิงคะหรือแบ่งเพศแบ่งไม่สองอย่างประเทศอื่นเขก็มีแบ่งกันแบ่งเพศแบ่งอะไรแบบนี้ทั้งนั้นน่ะความรู้กันรู้รู้กันทั่วเป็นสากลของพระเจ้าเนี่ยสากลแน่แต่รู้ยากเมื่อลึกซึ้งก้นไปยากใน สังคมประเทศหรือแม้แต่ในสังคมไทยก็มีลักษณะสองอย่างนี้ที่ช่วยให้เกิดทุกวันนี้อิธิภาวะมันมากตัวอย่างง่ายๆอิธิภาวะนี่คืออิธิยังเป็นภาวะที่ยังไม่แข็งแรงปุริสภาวะคือภาวะที่แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้คุณธรรมไม่แข็งแรงก็คือคุณธรรมที่เป็นอิทธิภาวะคุณธรรมที่แข็งแรงก็คือคุณธรรมที่เป็นปุริสภาวะประเทศไทยคุณธรรมที่เป็นอิทธิภาวะมากเลยไม่แข็งแรงจึงทำให้เกิดบ้านเมืองทุจริตคดโกงโกงทั้งโคตโคตโกงโกงทั้งโคต แล้วการสร้างโคตรมะโกงเนี่ยมันไม่ได้สร้างแต่โคตรพอ่อโคตรแม่เขาเท่านั้นอันตมาพูดภาษาไทยนะไม่ได้พูดหยาบใช่ไหมล่ะพ่อแ ม, พอแม่พ่อแม่กี่ช่วงกระยุคนต่อมาต่อมาก็คือพ่อคือแม่นับมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วต่อโคตรมาเรื่อยๆก็เรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่เต่าต่อกันมามันหลายโคตรอ่านี่อธิบายสัจธรรมไม่ได้มาพูดหยาบอะไรไม่มีจิตหมายหยาบเลยแต่พวกคุณคิดหยาบเองนะ ใจเราไม่ดี้าวังคนที่ท่านคิดไม่ ไ, มได้ยาบแต่คุณไปคิดยากแล้วคุณไม่ดีเองจำไว้รู้ตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นในความเป็นอิทธิภาวะกับความเป็นปริสภาวะนี่จึงลึกซึ้งในสังคมประเทศที่อาตมาพูดย่อๆเมื่อกี้คร่าวๆแล้วมันชัด มันจึงเกิดความทุจริตความโกงความไม่ดีไม่งามขึ้นมาและที่อาตมาพูดวามโคตรมาต่อโคตรมามรู้จักระดับพอ่อระดับแม่ต่อกันมาโคตรโคตรมามันไม่ใช่เอาเฉพาะสายเลือดตระกูลมันไปเอาคนอื่นมันไปเอานักการเมืองมันไปเอานักวิชาการมันไปเอานักข้าราชการมันไปเอานักธุรกิจมาเป็นโคตรโกงร่วมกันนะฟังเข้าใจชัดไห มันเลวสะบัดช่อเลยโอ้พูดแล้วเหนื่อยนี่มันถึงขั้นจริงๆถึงยุคที่เห็นชัดเจนและคนเหล่านั้นก็โง่สหกยอมเป็นโคตรโคตรทั่วโคตรเลวได้ข้อแพร่จะมาพูดแรงพูดมันชัดนะมันแรงแล้วมันชัดไม่ใช่ภาษาไทย ง, ง่ายๆชัดๆ เนะพรอนมาเลิกกันทีเถอะประเทศไทยประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองที่มีศาสนาอันประเสริฐเอาความประเสริฐนี้ขึ้นมาใช้ใครไม่ทําอัตมาจะทําวันดวงนะสู้เลยใครจะเอาด้วยยกมื อ, อยังไม่ทันถามเลยนะยกมื อ, อยังไม่ทันถามเลยเอาด้วยนะ ต้องทำและอาตมาเห็นเชื่อและเชื่อโคตระสมณะสมณะโคดมสมณะโคตระสมณะโคตโคตของนักนักพรตนักบวชโคตของผู้สงบ ม, มีแล้วเป็นแบบพุทธนี่แหละของพทธเจ้าต่อเชื่อมาเนี่ยอาตมาก็มาร่วมต่อเชื่อนี่อยู่ มาร่วมสืบสารเชื้อนี่อยู่ยดย่อเข้ามาง่ายๆในชาวโอโศกนี้อาตมา น, นำพามา 30-40 ี่สิปีนี่เป็นรูปธรรมมีองค์ประกอบเกิดคุณสมบัติมีทั้งแม่ทั้งพ่ออยู่ในนี้อันที่นำเราถือว่าเป็นพ่ออันที่ช่วยอย่างแหมรดมเจ้วเจ้าเลยเราเรียกว่าแม่ ลักษณะอิทธิภาวะเขาจะอย่างนั้นนะอโอ้โหหืาเจียวเจ้ากรุนแกรงเอะมัเทิมนหานี่ลักษณะอิทธิภาวะลักษณะที่นิ่งนิ่งแก่นก่นลักลักๆคคำเดียวพวัวนี่ลักษณะพอ่อลักษณะปริสภาว ะ, ะก็ช่วยกันช่วยกันะนะอสงนุนีมีลักษณะนี้ทั้งแม่ทั้งพอ่อ ช่วยทาให้เกิดลูกฟังนั้นนี่เป็นนามธรรมาหรือว่าเป็นธรรมะในระดับปรมัติตไม่ใช่ไม่ใช่ระดับพูดเป็นตัวตนบุคคลเราเขาแต่เป็นองค์ประกอบทั้งนามธรรมา ท, ทั้งจิตวิญญาณและวัตถุนะก็เกิดอยู่ในนี้สร้างอยู่ทำอยู่จริงๆแล้วก็เกิดได้เป็นมีอยู่มากน้อยอาตมาไม่เกี่ยงขอให้เกิดและกันขอใเกิดของจริง อตตมาต้องการของจริงจะมากจะน้อยไม่เกียงได้เท่าไรก็อยู่ในโลกนี่แหละแม้ไม่อยู่ตรงนี้จะไปอยู่อเมริกาจะไปอยู่นิวกีนดจะไปอยู่เอธิโอเปียช่างเถอะไม่ว่ากันอยู่ไหนก็ได้คนนั้นเป็นเลือดดีแล้วมันก็ไปดีที่นั่นที่ไเป็นงอกไปมีเชื้อที่ไหนๆก็แล้วไปแต่ถ้ามารวมกันได้มันเป็นพลังเราก็พยายามอยู่ ที่จะให้มารวมพลังกันเรียกร้องก่อนแล้วอ่อนวอนก่อนแล้วโฆษณาก็แล้วเนี่เอาไปอยู่กับผีหมดผีมันเมตซ์ใ น, นอะไรกันนักกันหนานะติดใจผีกันจังเอาเถอะไม่เป็นไรตัวใครตัวมันปัญญาใครปัญญามันชีวิตใครชีวิตมัน อัตภาพใครอัตภาพมันผีมันหลอกเก่งนะโง่ที่ถูกหลอกเราไปอยู่กับคนหลอกไปดูกับสิ่งที่หลอกเอาเมื่อมันมีเช่นนี้มันจึงเกิดจริงในชาวโศกนี้มีจริงเกิดจริงมีแม่มีพ่อช่วยกันเลี้ยงลูกสร้างลูกสร้างทางจิตวิ ญ, ญญาณสร้างลูกมาทางร่างกายสร้างทางด้านวัตถุทางด้านไอ้นี่เนี่ยเฮ้ย มันจะไปได้อะไรแค่ไหนสร้างทางวิญญาณเนี่ยได้มากแต่ยากเท่านั้นเองสร้างได้มากไม่มีลิมิตรสร้างทางวัตถุทางสสารทางตัวตนบุคคลเราเขามันจะได้สักกี่คนกันเชียวชาตินี้เนะี่ยยังไม่เคยมีใครทําสถิติไว้นะว่าคนหลายคนจะมีลูกได้กี่คน สติติที่สูงสุดว่าคนที่มีลูกฉาดนี้เขามีตั้งโอโ้โหเอออย่างที่ลีชุงยุนนี่เนาะอายุตั้งสองอยห้าสิบหกปีนี่เนาะมีเมียทั้งยี่สิบกว่าคนเนี่ยแต่ยี่สิบกว่าคนนี่ก็ยังน้อยอ่าคนมีเมียมากโอ้โหเป็นห้าสิบเป็นร้อยก็มีมีลูกกันตั้งมากก็้งไม่อ่าอันนี้ก็มีผสมเทียมอ๋อไปก็พูดแต่อย่างงั้นไปพูดทําไมอ่ะอ่า เอาละประเด็มันจะยืดยาดเพราะเราเอาเป้าเป่าว่าการสร้างคนเนี่ยสร้างคนทางวัตถุนั่นพอกันได้แล้วเพราะคนจะล้นโลกแล้วแล้วกิเลสมันก็พาคนสร้างมันไม่อยากให้เกิดสร้างมามันไม่ได้อยากให้เกิดเกิดมามันขายหน้ามันบีบคอตายมันฆ่าลูกตายมากมายเลวร้ายมากแล้วพอแล้วพลโลกเจ็ดพล้านขึ้นแล้วหยุด พอถ้าเพิว่าโลกยุคไหนอาตมากเกิดร่วมกับพวกคุณทํามันไม่พออาตมาจะสั่งชื่อว่าจะยุ ค, คุณไปสร้างลูก ค, คนมันน้อยมันไม่พอในโลกจะยุคไปแต่ตอนนี้มันไม่ต้องไปยุกันหรอกมันต้องมาคุมกําเนิดกันแล้วมาคุมกําหนัดให้ได้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปทำให้เงินคนยุคคนเวลา ทีนี้เราจะสร้างคนทางจิตวิญญาณเนี่ยมันสร้างได้ไม่มีมลิมิตและไม่เป็นภัยต่ออะไรเลยสร้างทางจิตวิญญาณให้คนเป็นตระกูลดีจิตวิญญาณประเสริฐเนี่ยมันสุดยอดอาตมาจึงมาสมัครเป็นคนชนิดนี้เป็นพ่อพันุ์ชนิดนี้นี่อาตมาเนี่ยเป็นพ่อพันุ์ชนิดนี้พระพุทธเจ้าท่าตรัสว่าท่านเป็นพ่อ ภาษารีบุตรพระโมคขลาเป็นแม่ช่วยกันสร้างลูกเลี้ยงลูกหรือพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมวลนักบวชภิกษุภิกษุณีช่วยกันเพื่อสร้างลูกทางจิตวิญญาณให้หมันเข้าใจขึ้นเยอะนะชั้นเดียวกันในชาวอโศกเราเป็นลูกตระ ก, กูลเชื้อพระพุทธเจ้าก็ทําดําเนินการแบบนั้น มาช่วยกันทางนี้ทางโนนบอกแล้วพอหนะยุดดาดแล้วมาใช้พลังงานแรงงานความรู้ความสามารถเวลามาสร้างสิ่งนี้ให้ประเสริฐมาสร้างสิ่งนี้ให้แก่โลกเราได้ทำอยู่เกิดอยู่เป็นอยู่แล้วเราก็จะสร้างต่อไปและต่อไป and ต่อไปสร้างต่อไป จนกว่าจะสิ้นลมมันยังไม่สิ้นลมก็พยายามยังไม่ยอมตายง่ายๆแต่ถ้าอยู่ยังมันทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เอาเงนะินทำอะไรได้ก็เอาทำต่ อ, อเมื่อเรามีเราจึงเป็นจริงเป็นจีจริงเมื่อเรามีของจริงเป็นเชื้อที่จริงเชื้อพุท ธ, ธเชื้อโลกุตระ จริงเชื่ออริยะที่จริงมันจึงเป็นจริงศีลมันถูกต้องศีลมันมีประสิทธิภาพหนึ่งศีลเป็นสมาธิสองศีลมีประสิทธิภาพมีแรงมีพลังเพียงพอมันก็พากันช่วยร่วมกับปัญญาปัญญาที่เป็นแรงเป็นพลังและก็ถูกต้องด้วยปัญญาที่ดีที่ตรงที่ถูกต้องเลยมันก็ช่วยกัน ช่วยกันสร้างขึ้นมาช่วยกันประกอบกันเพื่อที่จะให้เกิดมันก็เกิดขึ้นได้เกิดเป็นได้จะช้าจะเร็วเราก็อยากให้เร็วอะแต่มันอยากไม่ได้แล้วมันต้องทําทําให้ดีเพราะเอาแต่อยากมันไม่พอไออยากนะมันเป็นอยู่แล้วตั้งไว้แล้วมโนสัจเจตนาตัวนี้ตั้งไว้อย่งอยู่แล้วเพราะไม่ต้องไปอะไรมากเราไม่เปลี่ยนแปลงเราอาตมามันโสนสัจเจตนาไม่เปลี่ยนแปลงอยากตัวนี้อยากสร้างคน ให้เป็นอาริยบุคคลเนี่ยเป็นคนลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื้อเนี้ย DNA เนี้ยอัตมาเอาอันเนี้ยนะเป้านี้ตั้งไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ต้องลืมได้เลยเป้าแน่นอนเหลือแต่องค์ประกอบอื่นมาช่วยกันทําช่วยกันสร้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทํากันสร้างกันเนี่ยจนเกิด โรงเรียนหรือว่าเกิดสถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันการศึกษาใหม่เรียกว่าใหม่เป็นนวัตกรรมจริงๆเป็นของใหม่เป็นการศึกษาที่เป็นฟิโนเมโนโลยีเป็นการศึกษาในระดับให้มีพร้อมทั้งรูปและนามมีพร้อมทั้งจิตและกายมีพร้อม มีท่านดวลดีท้วงว่าไม่น่าจะเรียกว่ากายกับจิตน่าจะเรียกว่าร่างกายกับจิตมันมีคําว่าร่างดีกว่าถ้าเรียกว่ากายเนี่ยมันเพี้ยนแล้วมันเพี้ยนคนไทยก็เพี้ยนคําว่ากายเอาไปเป็นร่างดีกว่าดังน้อยมีคําว่าร่างประกอบกับกายก็ยังดีจะได้เข้าใจว่าร่างนี่มันไม่ได้หมายความว่านามมาทําทัศกายมันยังหมายความว่านามมาทําประกอบอยู่มันก็เลยจะยาก มีทั้งร่างกายและจิตใจมีทั้งวัตถุและจิตมีทั้งรูปและนามเป็นการศึกษาอย่างนั้นหรือมีทั้งทฤษฎีและมีทั้งความประพฤติปฏิบัติมีทั้งคู่มีทั้งประพฤติจริงปฏิบัติจริงและมีทั้งความรู้มีทั้งวิชาการมีทั้งภาคปฏิบัติ ทั้งสองอย่างเลยและเกิดพลจริงทั้งคู่เกิดพลจริงทั้งทางปัญญาทางวิชาความรู้เป็นจริงทั้งการทำได้เป็นได้ประพฤติดได้ทำได้จริงนี่คือฟิโนเมโนโลยีปรากฏการวิทยาเป็นมหาวิชารามเราบรจัดของเราไม่ใช่มหาวิยาลัยนะมหาวิชาราม มตาวิทยยลัมหาเหมือนกันอับบรมซะดีไหมบรมมวิชารามเอาเถอะอย่าไปแอกมากเลยเอามีมหาตามาก็ได้มหาวิชารามเราจะสร้างมหาวิชารามอันนี้จริงๆเพราะเราเริ่มก่อได้แล้วแล้วก็เข้าใจแล้วพวกเราเข้าใจแล้วและตั้งใจที่จะให้มันเกิดให้มันเป็นให้มันมีจริงๆก็จะช่ เมาร่วมมือกันตอนนี้ก็ส่งคนไปเรียนดอกเตอร์มาทางโลกเอาวิชาของเขามามาร่วมประกอบร่วมมาใช้งานบอกว่ายางความรู้อย่างพวกคุณเราก็เอามาได้เอามามีแล้วเอามาสร้างอันเนี้ยมาช่วยอันเนี้ยนี่ก็กำลังจะเดินทางไปเอามาจากญี่ปุ่นเนี่ยนั่งอย่นี้ไปเอาดอกเตอร์เอามาให้ได้นะแตะ่นี่ก็ได้ทุนมาไปเรียนดอกเตอร์เดือนกันยานี่แหละ เอามาอย่าให้ช้าอย่าให้หลายปีนักเสียเวลานา น, านไปทํามาแล้วมาช่วยกันมันก็มีผู้คนลราตอนนี้ก็จะปยุมีคนจะยุด็ อ, อร์ชิตตวันให้ไปเอาดออรทางนิติศาสตร์ทางรัฐศาสตร์มาอีกใบหนึ่งว่างั้นตอนนี้กําลังทำเนยอยู่ในด็ อ, อรใบและกำลังทำเนยอยู่แล้วก็มีคนมองว่าอจะให้ไปทําดรอีกว่างั้นเอาเลย <c oughs> พ่อแม่เขาก็ส่งเสริม ไปทํามาเลยอีกดอกหนึ่งสองดอกแล้วมาช่วยสังคมว่าอย่างเรานี่แหละมาช่วยสังคมนี่แหละอย่างเราเนี่ยนะดรชิตวันเนี่ยตอนนี้สอนโยกเกษตรมาปลูกบ้านสองหลังแล้วหลังแรกว่ามันใหญ่ไปบอกจะไปสร้างหลังเล็กไปสร้างอีกไม่รู้เล็กอื่นยัง อ, งอเล็กไม่ลง อกอสร้างหลังแรกว่าสร้างไปแล้วอ้าวมันใหญ่ไปเลยยกให้บรราเธอเอายกให้มาไปสร้างใหม่จะให้เล็กเล็กไม่ลงอีกยิงใหญ่อยู่อีกสร้างบ้านสองหลังแล้วยังไม่ได้มาอยู่อ้าวก็ไม่เป็นไรจะไปไหนไปทํางานได้เงินเดือนมากันเดี๋ยวก็เอามาหอมาทีละแสนทีละแสนทีละแสนเอแล้วทํางานเราทำไมเอาเงินไปไหนแล้วไม่เอาเงินไปใช้กันหรือไง มาให้ทีละแสนทีละแสนทีละแสนอยู่นั่นนะ่ะทำงานมานี่หลายเดือนนะทึกปียังไม่รู้ก็หอ ม, มาอยู่เรื่อยเออแล้วก็อย่างนี้น่นนี่เราสู่ฟังอ้าวผ่านเพร่ะจะยืดยากรู้มากยากนาน <c oughs> รู้น้อยก็พลอยลำคาญเนาะ <c oughs> เมื่อเรามีแม่มีพ่อทางธรรมะ อย่างนี้แหละให้เข้าใจให้ได้มาตาปิตาที่พูเจ้าท่านตรัสในสมาธิสิกมาตาปิตาสัตวโอปปาติกาคือสัตว์ทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจค า, าว่ามาตาปิตาที่บินแม่กับพ่อแล้วทาสร้างลูกทางจิตวิญญาณเนี่ยเข้าใจไม่ได้ในเกมเลยธรรมะพระเจ้าก็ไม่ดาเนินไม่เคลื่อนที่ มีแต่เน่ากับเน่าไปทาเดียวตายเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจต้องมีสภาวะจริงาอาตมาพยามอธิบายไปแล้วก็นำพาทำแล้วก็เกิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีลิงคะที่เป็นปุริสภาวะบุคคลที่มีลิงคะที่เป็นอิทธีภาวะามีลักษณะของความเป็นบุรุษมีลักษณะของความเป็นสตรี เป็นหญิงเป็นชายชัดเจนถ้าเข้าใจเพราะเราก็จะรู้ต่อภาวะรูปสองคืออิทธิภาวะและปุริสภาวะได้ดีนะเป็นรูปหนึ่งในอุปาทานะรูปเป็นรูปข้อหนึ่งคือภาวะรูปที่มีแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นอิทินรีกับปุริสินซีนี่แหละนะเราจะเข้าใจจะรู้สึกสภาวะจริง ตั้งแต่รูปธรรมไปถึงนามธรรมพระคนเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วจะเข้าใจลักษณะสองนี่ภาวะสองนี่อย่างดีแล้วใช้เพราะมันเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมาจริงเป็นนามธรรมารู้ยากแต่ยากก็ต้องเป็นจริงต้องรู้จริงแล้วใช้เป็นจริงถ้ารู้ไม่จริงมันก็ใช้ไม่ถูกใช่ไหต้องรู้จริงมันถึงรู้ถ่องแท้มันถึงจะเอาไปใช้ถูกต้อง เมื่อใช่ถูกต้องก็เกิดผลเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตั้งใจศึกษาตั้งใจศึกษ า, าต้องอาศัยแม่อาศัยพ่อช่วยกันในสองอย่างนี้ในโลกทั้งนั้นเลยมีสองสิ่งนี้แหละมีบวกมีลบสิ่งที่จะเกิดก่อเกิดได้ต้องมีคู่ช่วยสร้างไม่งั้นอะไรก็ไม่เกิดพลังงานไม่เกิดวัตถุไม่เกิดต้องมีสองสิ่งที่จะทาให้เกิดได้ เกิดใหม่ถ้ามันไม่มีสองสิ่งทําให้เกิดใหม่ก็มีแต่หายไปหายไปเรือไม่เ ร, รืออะไรสิ่งเดียวเรือสิ่งเดียวเรือศูนหมดเพราะมันจากสองไปเป็นหนึ่งก็ไปหาศูนเท่านั้นเองถ้าเป็นสองที่เป็นอุปัจจยะเกิดมันก็ไปหาสองหาสี่ฮะแปดหาอะไรไปอีกเป็นอัตราการก้าวหน้าทวีปฏิภาคทวีขึ้นไป ถ้ามันลดมันเป็นชรตานี่เป็นอุปเป็นอุปาทายรูปสุดท้ายลักษณะรูปมีอุปจยะสันตติชรตาอนิจจตาลักษณะอุปจิญญคือลักษณะมันเกิดขึ้นชรตาเป็นลักษณะมันเสื่อมไปหาศูญมันมีสองลักษณะนี้โดยมีจุดเชื่อมอยู่คือสันตติต จุดกลางถ้ามันเอียงไปข้างนี้เราจะรู้แล้วมันไปข้างไหนเรียกว่าอันตามันมาหาปลายข้างอุปจยะหรือมันลงไปหาข้างชัตานี่ลักษณะสุดท้ายสี่ลักษณะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความไม่เที่ยงอันนี้จนกระทั่งชัดว่าเที่ยงคุณมีปัญญารู้ความเที่ยงของอุปจัยะรู้ความเที่ยงของชะตา ว่าอะไรมันเป็นลักษณะอาการเล็กละเอียดขนาดไหนคุณก็ต้องมีปัญญาภูมิปัญญาที่จะรู้ตามลักษณะนั่นเองกิริยานั่นเองอาการนั่นเองนี่มันสอไปทางอุ ป, ปัจัยะนี่มันกําลังออกมาอันตาปลายทางมหาชรตาเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ความไม่เที่ยงที่มันจะประเดินไปทางไหนดําเนินไปทางไหนได้ และคุณก็มีน้ำหนักมีความจริงที่คุณจะต้องเด็ดขาดทำความเที่ยงได้ว่าไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้มันอุปจัยะไม่ให้มันชรตาได้นั่นคือคุณเป็นพระเจ้ากาหนดได้จะให้เกิดจะให้ตายเอาไม่วิชานี้โอโ้ตาตั้งเลยเอาวิชานี้นี่แหละวิชาของพระพุทธเจ้า ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอ ะ, อะไรที่จะเป็นอนิจจตาอยู่เราก็จะเข้าใจโลกเป็นอนิจจตาสิ่งที่มันถึงขั้นนิจจตาความเที่ยงได้เนี่ยคนนั้นต้องเป็นอมตะบุคคลที่จะรู้ความเที่ยงในการที่จะยังความเที่ยงนั้นไวหรือจะไม่ให้มันเที่ยงให้มันดาเนินไป ไม่มันอยู่อย่างเก่าไม่ให้มันอยู่คงที่ให้มันก่อเกิดได้ก็เป็นคนชีเป็นชีตายหรือเป็นคนชีเกิดชีดับได้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่บุคคลเยี่ยมยอดที่ได้ของพิเศษนี้ในหัวร้านชื่ออะไรเนียนิวเพ็ดนะี่ยนนทุกนนทุก เนี่ ย, ด, ย, ด, ย ด, ด้ชี้เป็นชี้ตายได้ชีนิ้วเป็นชีนิวตายได้มีนิวเพชรชี้เป็นชี้ตายได้นี่แหละคืออมะตะบุคคลของพระพุทธเจา้าสูงสุดเป็นอรหันต์ขึ้นไปแล้วก็จะมีสิทธิ์เริ่มต้นลนะอย่างน้อยเริ่มต้นชี้ตัวเองว่าตัวเองจะตายหรือจะเป็นเพราะฉะนั้นจะตายเมื่อจะปรินิพานเป็นประโยชสารก็ชี้ตัวเองตายได้ไม่ก็ดี หรือจะเป็นจะเกิดอีกก็ชี้ตัวเองเป็นได้ตั้งจิตพุทธภูมิขึ้นก็ต่อได้รู้จักสันตติรู้จกัตตจกอุปัจชยะรู้จักชรตานี่คือสุดยอดของความเป็นอมตะบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้วิชาการของพระพุทธเจา้าเนี่ยเรียนรู้ได้แล้วมาช่วยกัน เอาพลังงานหรือเอาสิ่งที่มันจะช่วยสร้างช่วยทําลายทําลายเราไม่ต้องไปสร้างไปทํามากเพราะมันเป็นบาปไม่ต้องไปทําลายปล่อยเขาสลายกันเองเขาฆ่ากันเองเขาไปแพ้ภัยตัวเองของเรามีหน้าที่สร้างสิ่งที่ประเสริฐนี่ก็พอแล้วเมื่อยแล้วไม่มีเวลาพอสร้างไปสิ่งประเสริฐอันเดียวก็ไม่มีเวลาพอแล้วจะไป ม, มีเวลาเอาไปแบ่งไปทําลายเขาหนักหนาด้วยเวลาไปทําลายเขาอะ ทำลายแต่กิเล ข, ของตัวเองก็จะตายแล้วยิ่งไ่ทำลายคนนั้นคนนี้ช่วยเขาอีกไปช่วยเขาทำลายไม่ต้องให้คนเขาช่วยกันเองเถอะเราขอสร้างมันหายากสร้างสิ่งที่ประเสริฐนี้หายากมาช่วยกันเถอะนะมาช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันประเทศไทยมีมี ม, มีรูปธรรมมีสิ่งที่เกิดอันนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะหยุดยัง้งมาช่วยกันพยายามรวมตัวกันเพื่อที่จะ ผลิตอารยธรรมผลิตอารยะบุคคลผลิตอารยะสังคมมาผลิตอารยะประเทศขึ้นให้ได้ไม่ถามไม่ชวนไม่ถามไม่ชวนใครจะเอาไม่เอาแล้วแต่ใครก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวใครอยากมามาเอง มาเองนะโอ้โหพูดอย่างน้ามันไส่เนาะอะไรว่าเป็นสินค้าที่เชิญชวนแบบคนดูอยากรู้อ่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมารู้เจ้าที่อาตมาพยายามบอกนี่เป็นวิชาการเป็นความรู้ อันแท้จริงอาตมามั่นใจวันแท้จริงเท่าที่อาตมามีภูมิรู้นะไม่เอาของเก็ไม่เอาของปลอมมาหลอกมาขายหรอกไม่เอามันบาปไม่ทําเอาของจริงมาเผยมาแพร่มาขายไม่ขายให้ฟรีไม่เอาก็ช่างคุณของฟรีอ่ะของอาตมาไม่เน่าเลยให้แล้วไม่เอาก็ไม่เป็นไรทิ้งไว้เลยไม่เน่านะ เอาเข้าสู่เป้ามาตาเป็นแม่กับเป็นพ่อพ่ออย่างน้อยมีอาตมาอยู่แล้วเป็นพ่อนะตอนนี้ย่างเข้า81อแล้วอายุเพียงตัวเลขแต่ความจริงแล้วยังพึ่งจะอายุไม่กี่ขวบยังไม่ถึงสิบคล้ายๆคนไม่เดียงสาเนาะยังไม่ถึงสิบ จะต่อไปอีกเจ็ดสิเปีนะจนกว่าจะถึงร้อหอได้เท่าไรก็ช่างตายมาเมื่อไรก็ตายเขาให้เท่าไรก็เอาให้เท่าไรก็แล้วแต่เราก็ภาคเพียรเอาด้วยนะมาช่วยกันสร้างสิ่งที่ประเสริฐนี้จริงๆอาตมาว่างานได้ก็ไม่ดีเท่างานนี้หรอกงานนี้ดีมากไม่ต้องกังวลถึงรายได้ ทำแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยว่าจะได้จะเสียจะขาดทุนกำไรไม่ต้องคิดเลยสบายมากาทำแล้วทไปเลยเต็มที่แล้วก็ปล่อยเลยคนจะไปทำหน้าที่บวกลบคูณหารจะไปทำบัญชีตอนนี้เรื่องทำบัญชีเรื่องที่จะต้องดูแลการเงินกันที่ของชาวโศกบรรานี่เอาก่อนเถอะจัดแจงเลยทำตรวจสอบบัญชีลงบัญชีทำให้ดี มันเป็นหลักฐานมันเป็นความบริสุทธิ์มันเป็นสิ่งที่จะเป็นทั้งมาตรวัดเป็นทั้งเครื่องชีบบ่งเป็นทั้งหลักฐานอะไระไต่างๆนานาเลยมันเป็นสูงิดและเป็นหลักเป็นสิ่งที่แสดงความบริสุทธิ์ของคนได้ด้วยกันคนโกงรักษาคนบริสุทธิ์ อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยที่จะต้องทำอะไรที่แล้วแล้วมาเอาเถอะมันก็มีบอกบอกพล่องผิดพลาดอะไรมาอัตมาว่าเรายกเป็นอธิกรรมมิกะทั้งสิน้นใครจะโกงไปใครจะทุจริตไปใครจะเท่าไรไปอัตมาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชาวโอโศกหรือบ้านราในเอาก่อนเพื่อนหยุดในเรื่องที่จะ ไปจับผิดไปเอาโทษเอาภัยอะไรกันขอเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนิรโทษกรรมเอาก่อนคอสอชอเอากรในไหนก็แล้วกันเราเอาก่อนก็เลยนิรโทษกรรมเหมอนกันเพื่อปฏิรูปนี่ปฏิรูปกันให้เจ๋งเลยใครจะยังไงก็แล้วไปไม่ต้องไปรื้อฟื้นเดิมต้องตั้งต้นใหม่ ตั้งต้นเลยมามีเท่าไรเอามาบอกกันรวมกันลงบัญชีใหม่แล้วก็ตั้งบุคคลแล้วก็ดําเนินการมีใครจะดูบัญชีนี้บัญชีนี้ที่ไหนว่ากันให้ชัดเพื่อเราจะได้ตรวจสอบดูว่าระบบบุญนิยมเนี่ยมันเจ๋งยังไงระบบบุญนิยมเนี่ยมันเจ๋ง มันจะเป็นเศรษฐศาสตร์บทใหม่ของโลกเศรษฐศาสตร์บทใหม่ของโลกตะโกนให้กล้องปติพีซึ่งมันเกิดจากคนเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม ก, ก็เกิดจากคนเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเขาสามารถที่จะเอานำเอาเม็ดเงินมาทำพลังงานให เกิดอำนาจทางพลังเงินได้เศรษฐศาสตร์บุ ญ, ญิยมก็ต้องทำได้แต่เป็นพลังงานของทางเงินที่มันเอาไปเห็นแก่ตัวกับพลังงานของเงินที่จะเอามาเห็นแก่ส่วนรวมมันจะต่างกันมันจะต่างกันจริงๆ ขณะนี้เมืองไทยมีลักษณะนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเป็นจุดเล็กๆในฟ้ากว้างจุดเล็กๆคืออโซกเราเนี้ยในฟากว้างคอมมูนิสต์ก็ต้องการระบบนี้คือระบบข้อมูลมารวมกันแล้วก็สะสมทรัพย์สินไว้ส่วนกลางให้คนบริหาร มีคณะบริหารส่วนกลางนี่ขอบความหมายของคอมมิวนิสต์แล้วเขาก็ทําอย่างนั้นจริงๆมันเกิดไม่บริสุทธิ์เพราะเขาสร้างคนให้บริสุทธิ์สะอาดไม่ได้เต็มที่กดทนกดข่มเอาเท่านั้นแต่ทนกิเลสไม่ได้เจ็ดสิบกว่าปีทํามาระเบิดเพราะเขาต้นต้นทางงงเขาคือเขาสร้างคนไม่ได้เป็นคนบริสุทธิ์จริงแต่ของเรานี่เอาได้ทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาสร้างคนที่ อาตมามั่นใจว่าบริสุทธิ์กว่าชาวคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ต้องการลักษณะเศรษฐกิจหรือเศรษฐาศาสตร์แบบนั้นอาตมาก็เข้าใจเราก็ทำได้ยิ่งกัคอมมิวนิสต์อาตมาที่ได้บอกว่าคานมากยังไม่น่าตายก่อนแลวน่าจะเจอโพธิรักก่อนไม่งั้นก็ได้คุยกันสนุกเลยอาจารก็ตามน่าจะเจออาตมาก่อนตายไปก่อน ข้อมูลของคอมมอนิสต์เขาก็ต้องการลักษณะมีส่วนกลางแล้วก็เอามาแชร์เอามาเฉลีย่ยเอามาแบ่งแจกกันให้ให้มันเสมอภาคหรือให้มันสมดุลให้มันทั่วถึงเขาใช้วิธีการคอมมอนิสต์เขาก็ใช้วิธีการนั้นประชาธิปไตยก็ต้องการในัยเดียวกันแต่เป็นวิธีการต่างกันบ้างคอมมอนิสต์บังคับหน่อยประชาธิปไตยให้อิสระมากพูดนั้นให้ทั้งอิสระ บังคับบ้างแต่น้อยกว่าคอมมิวนิสต์เจ้าอาสุเราไม่บังคับเลยก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์บังคับและมันก็มีลักษณะจิตวิญญาณของคนมันช่างบังคับมันก็มีผสมอยู่ในนี้ซึ่งเขาก็จะต้องปรับปรุงตัวเขาว่าเก่งบังคับเขาทีเาทำตามน่มันไม่เก่งหรอกไม่แจง้งเจงหรอกให้เขาทำตามเลยไม่ต้องไปบังคับเขาสิให้เขาเห็นด้วยปัญญาของเขาแล้วเขาเต็มใจทำเอง นั่นเจ๋งกว่าใช่ไหมอ่าเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาให้ได้เขาทำไม่ได้เขาจาเป็นต้องบังคับกันเลของเขามันก็จาเป็นอยู่ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันจะเสียของเขาก็ต้องบังคับจึงต้องมีหลักเกณฑ์บังคับไม่ได้ศาสนาพุทธก็จะต้องมีวินัยมีข้อ บ, บังคับถ้าไม่เช่นนะั้นมันก็พังเพราะคนมันไม่ดีไปหมดมันยังมีต้องถูกบังคับไว้บ้างมันเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นในอนโศกเราก็ไม่ได้มลุดสะอาดจงตั้งแหมอิสระเสรีภาพทำไมยังต้องมีข้อบังคับต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีไปเถอะไปไมันจะพูดเมือ่อยคนพูดเลยเถิดเลยทงอะไรเนี่ยมันไม่ไหวหรอกเลยเกินมันไม่มีได้อนะไอย่างนั้นนะมันก็ต้องเอาอย่างนี้แค่นี้ก่อนสรุปแล้วอโศกเราเนี่ยมีองค์ประกอบศิลปะหรือองค์ประกอบของศาสตร์ ที่สมบูรณ์ได้ขนาดนี้แล้วมาร่วมกันรังสรรค์ให้ดีๆร่วมกันรังสรรค์ให้ดีๆจะเป็นไปได้มันมีพลังงานทางจิตวิญญาณในยิ่งใหญ่ถ้าร่วมกันรังสรรค์เนี่ยมันจะสดชื่นมันจะเฟชอัพมันจะ a อ p r e c i ชี e มันจะมีแต่เอ็นโดฟิน มันจะไม่มีเอเดอร์เอนเดรนลีนที่จะมาทำร้ายมันจะมีแต่เอ็นโดฟินเรียกว่าสารสุขสารเจริญสารสดชื่นไปช่วยชีวิตจึงไม่ตายง่ายชีวิตไม่แก่ง่ายชีวิตป่วยก็หายจะดูที่เนี่ยเทียนพุทธเนี่ยเป็นมะเร็งมากี่ปีแล้วนะ14ปีแล้วเหรอจะหนุ่มขึ้นอีกนะเนี่ย <laughs> ทำเป็นเล่นไม่ถอะจนหนุนขึ้นนี่ยังยุให้ไปเรียนจนเขาได้ด็อกเตอร์กันมาแล้วรุ่นเดียวกันเลยจนเขาได้มาคนละใบสองใบกันและ้ะไม่สองกใบเดียวอได้มาคนละใบกันแล้วมันยังไม่เลยเนี่ยจะฟิตจะไปเอาหรือเปล่าไม่รู้จะกลับไปทํำไหมไม่รู้มันขี้เกียจนะคนเราก็รู้อยู่มันไม่ใช่ธรรมดาเนาะจะไปทําด็อกเตอร์ก็มันเมื่ อ, อยเหมือน เอาไปทำสี่หายเลยมาเร็งอ่ะอะทําที่นี่อ่ะจะทําในมหาวิชารามทําเป็นพูดมหาวิชารามเอาเดี๋ยวจะยืดญาติเกิยดยืดญาติเรื่อยเราเนี่ยอ่าเอาต่อ เพราะงั้นเมื่อเราเข้าใจคําเป็นแม่เป็นพ่อวันนี้วันแม่จึงย้ำเน้นขยายความความเป็นแม่เป็นเพศอิทธิภาวะให้ชัดขึ้นนะพึ่งกันลักษณะสองอย่างพึ่งกันมาแต่ไหนแต่ไรบวกกับลบดีกัาตามบวกเป็นพ่อลบเป็นแม่อะไรงนี้เป็นต้นนะลักษณะแม่ในี่จัดจ้านลักษณะพ่อเนี่ยคุม ในลักษณะธรรมดาธรรมชาตินะเพราะงั้นเราก็จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเมื่อมันเกิดมันเป็นแล้วไอ้นี่แหละเราสามารถที่จะนำของจริงเป็นพลังงานพลังงานทางสสารพลังงานทางวิญญาณเป็นพลังงานทั้งสองด้านเลยพลังงานทางสสารพลังงานทางวิญญาณเรามีพร้อมแล้วเราจึงจะเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษานะเป็นสถาบัน ที่จะหล่อหลอมผลิตมนุษย์มาสันค่าสร้างคนกันให้เกิดมาให้ได้จะได้ไหมเนี่ยพูดแล้วต้องช่วยนะไม่ใช่พูดเร่งนี้น ะ, ะด่าแล้วช่วยกันช่วยกันจริงๆนะเพราะอาตมาว่าในสังคมนี้ไม่มีอะไรที่มันจะเป็นงานที่น่าทำมากกว่านี้หรอก เชื่อหนาวาอาตมาเลือกงานที่ดีที่สุดละ่ะอาตมาว่าอาตมาฉลาดนะอาตมาไม่ไปเป็นเรื่องงานที่โง่กันนี่ใครจะปเป็นเรื่องงานที่โง่กันนี้ก็เชิญเชิญเลยเรื่องงานที่โง่กันนี้เชิญเลยเราไม่เอาเราเอางานเนี้ไปไหมเนี่ยไม่ไปครับ <laughs> อ, อยู่นี่ก็ดีแล้วอเพราะั้น เป็นแม่วันนี้วันแม่ก็จงเข้าใจสภาพความเป็นแม่นี่อย่างลึกซึ้งสะอาดหรือว่าบริสุทธิ์หรือว่ายิ่งใหญ่ให้ดีเรามาสร้างทางนี้แหละทางนามมาทำทางพฤติกรรมทางความรู้ทางจิตวิญญาณมาสร้างลูกทางจิตวิญญาณในกันเราทำไปเรื่อยๆืเรามีโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปฐมถึงมัธยม ตอนนี้ก็กําลังจะทําให้เกิดอุดมศึกษาซึ่งเขาก็กันเขาก็ไม่เอาไม่ให้เออคนเราก็เป็นอาจจมาไม่สงสัยหรอกเพราะว่าภูมิของประเทศไทยมันยังไม่ถึงมันก็ยังงี้แหละไม่มีปัญหาไดหรอกไม่เป็นไรไม่ถึงเราก็มีโอกาสทําเราก็ทําได้เราทํานี่เราก็ไม่ว่าเราเราทําระดับให้ทำไปแค่อนุบาลแล้วก็ทําครับไม่ว่าอะไรเราทาได้เขามีเขาเลืยนโรงเรียนสี่หอาผมดูอ่านหนังสือพิมพ์เออ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศมีศีหนห้ า, ม, หามีหมู่บ้านคนถือศีหนห้าทําคุยไปแล้วเรามาตั้งนานแล้วผมก็คิดแล้วไล่ไออกไปสักหลายคนแล้วเด็กศีหนห้าไม่สบูรณ์พิการพิกนอยู่ในเนี่ยเราก็ไล่ออกไปตั้งเยอะแล้วผมกคิดเอาแล้วทําไมไม่ไปโรงเรียนสมาสติกาสันติอโศกกรุงเทพมหานคะร <laughs> เขาไม่รู้หรอก <laughs> คือดวงพูดยังไงดวงโวธิรักมันดวงเนี่ยมันดวงหมากลางตลาด ใครเห็นก็เตะมั่งเอาน้ำร้อนสาดมั่งเอาสับบางตอนสับมั่งอะไรเงี้เป็นธรรมชาติมากลางตลาดโอ้ใครไม่เห็นค่าหรอกมันไม่เป็นขี้เรื่อนกับบุนแล้วมากลางตลาดมันไม่เป็นขี้เรื่อนกับบุนแล้อันนั้นเราเป็นลูกน้องมากลางตลาดเราก็ต้องหลบน้ำร้อน <laughs> หลบน้ำร้อนห ล, นลบบางตอ่อนะหลบเท้าเออหลบไม้หน้าสามหลบให้ดีนะ ไม่งั้นเขาซัดเอาจริงๆนะก็ <c oughs> ะาปางนี้อาตมาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ได้สงสัยตัวเองหรอกว่าทำไมถึงถูกลบลูทําไมถึงถูกกดถูกกลมทําไมถึงถูกไม่ให้งงให้เงยอะไรเลยอาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมามีวิริยะอย่างเดียวอุตสาหะอย่างเดียวใครจะอุตสาหะวิริยะก็มามาอยู่ด้วยกันมาสร้างความอุตสาหะวิริยะกัน อย่างเดียวอาตมาไม่เอาอื่นอาตมาไม่สงสัยนะอาตมาไม่เอาแล้วไอม้มีไอ้ไอปัญหาอาตมาไม่เอาอาตมาเอาจตมีปัญญายางเดียวพ อ, อเอาจตมีปัญหาเนี่ยอาตมาเลิกทิ้งปัญหาไม่เอาเอาแต่ปัญญาแล้วก็พยายามทำนะตอนนี้เราที่อาตมาพูดไปแล้วที่คุณพ่อจะเข้าใจว่าเรามีเหตุปัจจัยหรือมีองค์ประกอบของอาตมาบอกแล้วอาตมาเป็นพ่อ พวกเราก็มาร่วมเป็นแม่มาร่วมช่วยเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเราเป็นพ่อสงสาวกนี่ก็คือมวลแม่พระพระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นธรรมะอะไรได้ต่างๆนาน า, น า, นานว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านสอนอภิธรรมเสร็จแล้วก็เกิดสาระผู้ที่ฟังสาระได้ก็มีแต่สารีบุตรมานั่งอยู่ข้างเขาพระเมรุมาฟังธรรมะออกเอาได้จากพระพุทธเจ้ามาเท่านั้นซึ่งเป็นภาษาวัตถุธรรมเป็นภาษา ปุกราติฐานความจริงเป็นนามธรรมาเป็นธรรมติฐานซึ่งชัดเจนอาตมาก็ใจสารีบุตรเป็นนั่งเก็บเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คนอื่นเอาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สารีบุตรมันไม่ใช่บุตรของพระพุทธเจ้าบุตร ท, ที่มันมันไร้สาระบุตรมันเอาสาระไม่เป็นมันก็ไม่ได้เทศให้ตายมันก็ไม่ได้เมื่ออาตมาเทศไปก็มันไม่ได้ลูกใครก็ไม่รู้มันจะสารีบุตรลูกมาร มีตามานะบทเป็นมารเทพตบด้วยนะเท พ, พบุตำมานด้วยนะไมย์าสารีบุตรมันก็ไม่ได้อะไรเพราะเรานี่สารีบุตรเราเป็นตระกูลสารีบุตรเราเป็นลูกสารีบุตรเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้เอาสิ่งเหล่านี้อัตมาไม่สงสัยหรอกว่าสารีบรคือใครสารีบุตรคือ นามมาทำชนิดหนึ่งไม่ต้องสงสัยหรอกอาตอมาไม่สงสัยว่าสารีบทคือใครขอให้เอาเนื้อแท้ๆได้นั่นแหละสารีแล้วก็สร้างให้จริงมาช่วยกันสร้างลูกนะแม่ทั้งหลายนี่นั่งน่นี่ผู้ชายผู้หญิงทั้งนั้ น, นแม่ทั้งนั้นนะ่ะ จะไปเป็นกระเทยซนะผู้ชายผู้หญิงกับแม่เท้านั้นนะแม่ทางธรรมมาช่วยกันสร้างเรามีทั้งการศึกษาที่ครบพร้อมนะครบพร้อมสมประการครบพร้อมสมประการคือหนึ่งมีทั้งความรู้สองมีทั้งความประพฤติส ม, มีทั้งจิตวิญญาณ พลังงานที่ลึกซึ้งละเอียดและเป็นชีวะด้วยเป็นจิตนิยามด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณมีทั้งสามอย่างเพราะฉะนั้นวิชาความรู้ก็ตามการประพฤติจริงปฏิบัติจริงก็ตามทั้งสองอย่างมีรวมและมีวิญญาณเป็นตัวร่วมตั้งอย่างสำคัญเป็นโรงเรียนที่มีเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าโรงเรียนตรีลักษณ์ ตรีลักษณ์สมลักษณะไม่อยากเรียกตรลักษณ์เรียกตรีลักษณ์ะเป็นโรงเรียนตรีลักษณ์ลักษณะสเกิดจริงเป็นจริงทำให้ได้เพราะฉะนั้นที่มาเรียนรุ่นนี้วอนบ อ, ร, บ อ, ร, บอ ร, รุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นคนเรียนที่มีตรีลักษณ์ ปฏิบัติการปฏิบัติงานจริงและเกิดผลจริงไม่ใช่แค่ซ้อมอยู่ในห้องแลบนี่เป็นโซเชียลแลบเนี่ยเป็นสาคล น, นะอันนี้เป็นสาธารณะอันจริงมาช่วยกันสร้างช่วยกันบูรณเช่วยกันทำขึ้นมา วันนี้เป็นวันแม่ก็พยายามบอกความเป็นแม่พอเราเข้าใจให้ลึกๆซึ้งๆชัดเจนดีๆนะแล้วมาช่วยกันประชาชนจะได้เกิดอาริยะบุคคลจะได้เกิดลูกหรือเกิดบุคคลประชากรที่เป็นอาริยสัตว์สัตว์อาริยะเกิดขึ้นอาตมาเคยกล่าวแล้วว่าเมืองไทยนี่แหละคือชมพูทวีป คือเมืองที่มีสารัะที่เป็นสุรภาโวสติมันโตอิทะพรหมจรยวาโซเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แล้วแลยสุรภาโวคือมีมนุษย์จริงทั้งกายและร่างกายและจิตวิญญาณที่เป็นร่างกายและจิตวิญญาณของอริยะเกิดแล้วเป็นสติมันโตก็มาสร้าง สร้างความมีสติสัมปชัญญะให้ดีให้เป็นสติปัฏฐานสี่ให้เป็นสมบัติสมัสมาสติและก็เอาไปสร้างสติสัมโพธชงจะได้เกิดสติสัมปชัญญะปัญญาปชาสัมปชาณะสัมปัชลติสัมปัชติสัมปัชลติสัมปสัมปตสัมปนาอะไรยังมีสัมปาเทติสัมอะไรอีกสัมปี ภาษาอีสานมันจะได้เกิดสมปีเลยท่เนี่ยเยอะแยะไปอีกเราไม่รู้สัมอะไรบ้างเอาภาษาอีสานนี่เป็นภาษาลึกนะสมปีนี่มาจากพระพระบาลีเนี่ยสมปีสัมปะต่างๆเลยสมปีสมปิกนั่นเองมาจากภาษาบาลีนะหลักหลักศัพท์มาจากภาษาบาลีสมปี เนี่ยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยมันจะละเอียดลึกซึ้งต่อเนื่องกันอย่างสําคัญในธรรได้รูนะเพราะนี้เรื่องที่พูดเนี่มันเป็นเรื่องของนา ม, มันทําเป็นเรื่องของประมาติเป็นเรื่องของสิ่งทะละเอียดแต่มีจริงก็คื อ, อ, อเรียนไปถึงอาตมาตอนนี้เนี่ยเปิดยุคขึ้นทศวรรษนี้ขึ้นศตวรรษนี้ของอาตมาเนี่ยอาตมาขยายความขยายผลรู้สึกไหม ขยายอย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งอย่า ง, งมีสภาพที่รายละเอียดที่ชัดเจนรายละเอียดที่เข้าใจได้รายละเอียดที่โอ้เห็นจริงโอ้เป็นจริงมีจริงอะไรต่างๆนานามันครบพร้องขึ้นมาชัดเจนดีมากแล้วมันจะเป็นผลไปไวปฏิภาคทวีมันจะเกิดยกกําลังเป็นเจออเมตริกเลยเนี่ยมันจะมีปฏิอัตราการก้าวหน้าขั้นระดับเราขาคณิตเลยขั้นระดับคูณระดับยกกําลังเลย มันจะไปถึงอย่างนั้นเลยนะเพราะงั้นมาช่วยกันดีๆนะเราดูน้อยกลุ่มเราดูมีน้อยคนไม่มีปัญหาหรอกน้อยไม่ว่าขอให้จริงอัตมาบอกแล้วน้อยไม่ว่าขอให้ได้เนื้ อ, นอแน่นอนเหนื่อยเพราะเราเป็นหัวเจาะเนี่ยพลอดภัยออนไลน์พวกเริ่มต้นพวกหัวเจาะผู้นํา โอ้โหทั้งชนทั้งร้อนนะฮหเจ่อเนี่ยหัวเพชรที่มันบุกเข้าไปนะชัยปัน่นไอ้ฟอสซิลต่างๆนี่นะหัวเพชรนี่นะอืม้มทั้งร้อนทั้งต้องทนอืม้มต้องขัดต้องสีต้องเกิดสปาร์ต้องเกิดความร้อนต้องเกิดความแรงต้องใช้แรงใช้อืม้มหนัก ประมาณอย่างนั้นทีเดียวต้องเข้าใจความจริงอาตมาท่าบอกอาตมาไม่มีปัญหาเลยมีแต่ปัญญาอย่างเดียวเชื่อไหมว่าอาตมาเป็นคนไม่มีปัญหามีคนแต่เป็นปัญญาอาตมายกปัญหาทิ้งหมดแล้วเอาแต่ปัญญาอาตมาฉลาดนะใครจะเอาปัญหาใส่หัวก็เชิญเถอะปัญญาไม่มีมีแต่ปัญหาเอาไปเถอะใครจะเอาอย่างไ น, นก็เชิญ พูดแล้วน่าอิจฉาจังคนอิจฉาผมมับอิจฉาฟักข้าวอิจฉาลําไยนีิก็อิจฉาสมโบดีกาแต่อิจฉาทําไมนะเขาให้ปุ๋ยดีเขาดูแลดีเขาสร้างดีของมันก็เกิดมีเงนินอิจฉาทําไมคืออิจฉาแล้วน่าเป็นนะครเอาเลยลงมือจะได้ทําอย่างนี้ขึ้นมาได้ด้วยน่าเป็นนะ สิ่งเรานี้ที่อาตมาพูดไปนี่ไม่ใช่เล่นๆมันเรื่องจริงเกิดแล้วเป็นแล้วมีแล้วอาตมาเร่งรัดก่อแล้วนวารล้อมก่อแล้วขอร้องก่อแล้วขอช้ากันอยู่จะช้าอีกต่อไปอีกนานไหมเนี่ยนะเงียบเลยฮะตอบไม่ได้อยากให้ช้า น, านานกว่านี้อีกไหม ตอบอย่างคนฉลาดนะเนี่ยรู้แล้วละ ว, ว่าฉลาดแต่จะทำหรือไม่ทำฉลาดแล้วทำตามฉลาดให้ได้แล้วกันนะเรามีสิ่งที่ประเสริฐนี่แลลวบอกแล้วว่ามีสุรพาโวสติมันโตก็มาฝึกสุรพาโวนี่เป็นคองสร้างคองสองมีมาแต่าปางบัณและแม้จะมีก็มีมา ไม่เอามาได้แล้วมันมีพอสมควรแล้วสุระพราโวเหตุปัจจัยที่ปรากฏจริงนันมีละสุระแปลว่ากลา้าแปลว่าแข็งแปลว่าก้อนสุระแปลว่าสิ่งที่ใหญ่จํานวนนําหน้าที่เห็นชัดสุระมันมีพอพอเห็นได้แล้วสุรภาโวก็มาสร้างสติมันโต มาสร้างสร้างให้สติมันเจริญอ ย, อย่างที่อาจามากล่าวแล้ยสติสัพพัญญะปัญญาหรือสติสัพพัญญะสัมปชานะสัมปสัมปชพาเทติสัมปชัตจิติสัมปชลิติชิตสัพพชลติโอ้พูดยากจนถึงสัมปตตาสัมปันะไปน่นแหละมีมากกขนานั้นถ้าออกละเอียดกว่านี้ก็สัาอะไรสัมปีไม่มากขนานั้นได้จริง เมื่อสร้างสติสติมันเจริญเป็นสติมันโตหมายความว่ามากมันตะน ส, สติสติที่เป็นอันตะไปไม่มีที่สิ้นที่สุดเนี่ยเป็นสติที่เจริญก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ย ส, ส, สติมันโตเนี่ย มันก็จะร่วมกั น, นมีสุรภาภวมีสติมันโตนําแล้วก็มาทําสติปัทานสีมาทําสมัปสมาสติมาทําสติให้มันเกิดโพชฌงมาสร้างสติปัญญาให้มันเจริญพัฒนาอย่างที่กล่าวแล้วให้ได้จริงๆเพราะเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องใช้สติเป็นตัวตั้งตัวนำเป็นตัวตั้งจุตัวนำอย่างสําคัญจริงๆรงิมันสําคัญมันพานําถ้าไม่มีสติเป็นตัวตั้ง มันเลอะเลยไม่หมดเลยคนไม่มีสติหรือว่าไม่ไม่มีตัวจิตที่รู้พร้อมอยู่กับมันสตินีสจิที่รู้พร้อมอยู่กับอะไรก็แล้วแต่คุณมีสติสัพพัญญาอยู่กับอะไรใช่ไหมคุณก็ทํางานกับมันได้ยิ่งมีปัญญาเข้าไปเป็นตัวตั้งร่วมด้วยมันก็พาได้ไปเจริญแม้คุณมีสติสัพพัญญาไม่มีปัญญามีแต่แค่สัญชาตญาณคุณก็ยังทําตามนั้นเลยใช่ไหมมีสติแล้วก็มีสัญชาตญาณรู้ไว้นี่คืออะไรแล้วคุณก็ทําตามนั้น แต่ถ้าคุณมีสติสัพพัญญะและมีปัญญาเข้าไปวินิจฉัยเข้าไปเลือกเฟ้นและยิ่งมีความรู้ระดับโลกุตระด้วยดีไหมละ่ะครับดีครับน ะ, นะเพราะงั้นเราก็มาสร้างให้มันมีสติแล้วก็ทัางตั้งได้ว่าจะต้องมีสัพปพปัญญะและมีตัวโลกุตระปัญญาร่วมด้วยนะมาสร้างให้ได้สร้างได้แล้วเราก็จะสามารถสร้างโลกนี้อิทัพรมจรรยวาโซ จะสร้างโลกโลูกนี้ให้เป็นพรหมจรรย์เป็นโลกที่พระพรหมเป็นโลกของพระพรหมเป็นโลกบริสุทธิ์สะอาดเป็นโลกที่มีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาได้จริงเป็นโลกอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยตมาไม่ได้เพอ้อพกไม่ได้เพอ้อเจอไม่ได้พูดลอยลมอะไร พูดอย่างมีหลักวิชาแล้วก็พูดอย่างมีของจริงรองรับแม้มันจะน้อยมันก็พอมองออกว่ามีสุรพาโวจริงแล้วก็มาสร้างสติมันโตให้มันได้แล้วหมู่นี้แหละหลังนี้แหละมันจะได้เป็นพรมอิทัพรหมจริยาวาโซมันจะได้เป็นโลกแหกโลกพรหมจันทร์โลกสะอาดบริสุทธิ์โลกพระพรหมเมื่อเราสร้างได้ในประเทศไทยเกิดกลุ่มน้อยก็ตามเราก็สร้างต่อ หลายกลุ่มเกิดขึ้นมาเป็นเครือแห่สานต่ออยู่ในประเทศไทยประเทศไทยก็จะเป็นโลกที่มีพรมจันทร์โลกที่เป็นโลกของมนุษย์ชมพูทวีปเป็นโลกชมพูทวีปเป็นประเทศชมพูทวีปที่จะช่วยมนุษย์โลกได้ต่อไปเราไม่ได้อยากยิ่งใหญ่ เราไม่ได้ไปอยากยิ่งใหญ่คุณอยากแทรกเมื่อไรก็แทรกนะเดี๋ยวจะหาว่าพุไม่มีช่องให้แทรกให้มันนั่งอมปากเปรี้ยวอยู่เนี่ยเมืองไทยเรามีเชื้อพุทธอยู่มีโลกุตรธรรมอยู่แล้วก็กำลังที่จะดำเนินไป เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันระดมช่วยกันสร้างช่วยกันทาให้เกิดของจริงเป็นจริงให้สมกับเป็นประเทศไทยที่แปลว่าอิสระเสรีภาพไทยนี่เป็นประเทศอิสระเสรีภาพแต่ทุกวันนี้ไปตกเป็นธาตโลกียะเป็นธาตทุนนิยมเป็นธาตคนชั่วประเทศไทยเ อ, อ้ย ทำไมมันถึงเอาวิชากันปานนั้นประเทศไทยขณะนี้คนในไทยเป็นผู้ที่ไปเรียนไปรู้ไปอะไรแล้วก็จะทำหน้าที่บริหารประเทศอยู่ก็ตามทำไมจะต้องไปตกเป็นทาสของคนชั่วตกเป็นทาสของโลกีกันนักกันหนาเมืองไทยเรียนเมืองพุทธ95เซน์อันนี้เป็น หลักฐานยืนยันประเทศไทยที่อาตมายังเชื่อมั่นอยู่ว่าเป็นรูปธรรมคนไทยยังมีประชาชนไทยเ ข, เขาว่า94ลดลงไปไหน่อยหนึ่งมีคนไทย94เป็นพุทธมาม ก, กะเป็นพุทธศาสนิกชนยังไม่ถึงมาพุทธมาม ก, กะหรอกเจ้าตมาอธิบายฟังแล้วพุทธศาสนิกชนพุทธมาม ก, กะพุทธบริษัทนีสมอย่างนี่ต่างกันพุทธศาสนิกชนก็คือ ชื่ว่าเป็นพุทธแต่ยี่ห้อตามตระกูลฉันเป็นพุทธแต่ไม่มีท่าเลยพุทธมามาะกาะนะเป็นผู้ที่สนใจธรรมะปฏิญาณตนก็เป็นผู้ที่ถือศีลถือธรรมมีศีลมีธรรมขึ้นมาแล้วพุทธมามะกะส่วนพุทธบริษัทนั้นคือพุทธบริษัทสีอุบาสกบาสิกาพุกธสาิีสุนีเป็นผู้ที่เป็น มีโลกุตระธรรมตั้งแต่โลกุตระธรรม9ก้าหรือเริ่มจากโลกุตระธรรม37มิบโพธิปักีธก 37, รรม37นั่นแหละเออโพธิปักพีธรรม3าเริ่มแต่โพธิปักพีธรรม37นั่นแหละโลกุตระธรรมเก้าหรือโพธิปักพีธรรมสานั่นคือคนโลกุตระเพราะฉะนั้นพวกเรามาเรียนนี่พวกเราเป็นโลกุตระบุคคล เริ่มต้นมีตั้งแต่รู้จักกายในกายไปปฏิบัติไปเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมไปแล้วก็มีสมประทานสีมีการสังวรสบวมอินทรีย์มีการทําให้กิเลสมันลดได้ประหารกิเลสได้ประหารประทานจนเกิดผลเป็นภาวนาประทานแล้วก็รักษาผลไปด้วยอิทธิบาทด้วยชั้นทัพวิริยะจิตตวิมังสาไปเรื่อยๆนี่แหละคือคนโลกุตระที่มีมรรคมีผล แล้วก็สั่งสมลง เ, เป็นอินทรีห้าจนก็ตั้งถึงพละห้ามีสัตทินสีมีวิริยินสีมีสตินินรีสมาตินสปัญญินรีนี่เกิดจริงๆรจนครบก็เป็นพละห้าด้วยพ่อแม่คือโพจนชงเจ็ดและมักแปดเป็นพ่อกับแม่พจนชงเจ็ดเป็นพ่อมักแปดเป็นแม่ พจงเจตเป็นพ่อคือเป็นความรู้ขั้นระดับโพธิหรือพจนชะคือความฉลาดเฉลียวหรือความรู้ระดับตรัสรู้สติก็เป็นเข้าขาตรัสรู้ทำวิจัยก็ตรัสรู้วิริยะก็ขั้นตรัสรู้ได้ผลมาเป็นปิติก็ตรัสรู้ปัสสัทธิก็เป็นปัสตรัสรู้สมาธิก็ตรัสรู้อุเบกขาก็เป็นอุเบกขาอย่างตรัสรู้ คือเป็นความจริงเป็นสัจจ์ตรงตามของพุทธเจ้าตรัสเรว่าความจริงโพชฌงมีอย่างนั้นนำพาอยู่โดยการปฏิบัติตามมรรคองคแปดตามทางทำความเข้าใจให้ดีสมาธิิตให้ดีแล้วก็ปฏิบัตินาสังกัปะให้ดีวาจากรมมันตะอาชีวะให้มันเป็นสัมมาให้มันเข้ารองเข้าร้อยด้วยวายามะและสติ เป็นหวังเฉามาหัน่นเป็นคู่อัศวินคู่ช่วยสมาธิธิช่วยประธานแล้วก็จะได้เกิดสมาสมาทิไปเรื่อยๆดังนี้เป็นตน้นแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าทุกอย่างดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้า เมืองไทยมีพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ที่อาตมายืนยันไม่ใช่พูดเล่นว่าปเป็นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเองท่านตรัสว่าปกครองโดยแบบคนจนท่านตรัสไม่ได้ตรัสเล่นตรัสจริงถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินน่มาตรัสเล่นลอยๆแล้วไม่ได้ตรัสอยู่ในกระมูลเล็กๆเล่นๆ ตัดสู่ประชาคมตัดครั้งแรกกับรัฐมนตรีเกาหลีแล้วท่านก็มาตัดต่อสมาคมในวันที่4มีนาคม2534ตัดออกทั่วไปรู้ทั่วโลกมีนาเลยท่านว่ามีนา ท่านเรียบเรียงเออขอพายเอสสี่ธันวาคมปกติจะพูดม า, าสมาคมตอนสีสสส่ธันวาคมใช่สีธันวาคมสองพนหสสนะรู้ไปทั่วโลกเขาไม่เข้าใจภาษาไทยเขาก็ไม่รู้เท่านั้นเองใครเข้าใจภาษาไทยหรือแปลเป็นภาษาอื่นไปสูก็ได้ฟังได้รู้ไม่ได้ปิดบงัง เป็นการเปิดเผยและเป็นพระเจตนารมาว่าพระเจตนาของท่านที่ต้องการประกาศทิศฎีแบบคนจนคนที่จะพูดว่าเออปกครองประเทศด้วยแบบคนจนก็ต้องเข้าใจว่าตัวเองหมายว่าอย่างไรเอ๊ะแลวเอาคนจนมาปกครองประเทศมันจะเป็นอย่างไงวะมันต้องมีปัญญาปฏิพารู้แล้วว่าคนจนมันจะปกครองประเทศได้ยังไงมันจนคุณว่าได้ไหม ได้ไหมตังหลักดีๆได้ไหมไคนจนมหัศจั์คนจนมหัสจัล น, นี่แหละจะปกครองโลกได้บริหารประเทศบริหารโลกได้ถ้าคนจนกระจกคนจนชั่วๆเร็วๆคนจนไม่มีปัญญาไม่มีสมรรถนะมันก็ปกครองไม่ได้แน่นอนคนจนงงๆเงาเ ง, งคนจนขี้โกงคนจนสุจริตอะไรมันก็ไม่ได้สิแต่นี่คนจนที่ซื่อสัตย์สุจริตแข็งแรงมีความรู้มีความสามารถมี อีกหน่อยจะมีพวกคนจนนี่แหละจบปริญญาเอกกันเป็นทิวเลยเนี่ยเอาจริงในสังคมมโซนนี่แหละแล้วไม่ไปรับใช้ในทุนด้วยจบปริญญาเอกแล้วไม่ไปรับใช้ในทุนด้วยมาทํางานช่วยสังคมอย่างนี้ให้มารู้สั บ, บ้างทุกวันนี้ผลิตปริญญาเอกมาไปรับใช้ในทุนโครนโคลน โ, โ เ, เอาเงินฟาดหัวเออทำสอกสอกสอกสอกสอกจะทำให้เขา ขาดผู้ปล่อยไม่ไปทั้งนั้นเลยขออภัยวันนี้โพธิลักษ์พูดแรงหน่อยพูดตรงมากไปหน่อยขออภัยท่านดอกเต์ทั้งหลายที่จะมาพูดไปแล้วก็ขออภัยพูดไปแล้วอ๋อยังลบๆเพราะงั้นน่ะพูดไปเราวยังลบๆก็แล้วกันนะ <laughs> <laughs> เดมาพูดไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อเราเข้าใจจริงเราก็จะรู้ว่าเร า, าหาความรู้ทางโล ก, กตามหามาทาไมก็เราจะเป็นไรเราไม่เดินมันเกลี่ยความรู้ความสามารถของโลกกตามไปเลยแล้วเราก็เลือกมาใช้เราเลือกเป็นนี่ความรู้ทางโลกอะไรมันใช้ไดีๆเราก็มาใช้อาจะไม่ดีเราก็ทิ้งสิแปลกอะไรล่ะแล้วก็ใช้รับใช้สิ่งที่มันควรรับใช้ไปรับใช้สิ่งที่ไม่ควรรับใช้ก็โง่ซ้อนโง่ซ้ําเข้าไปอีกทีชวยตายนะ มื่ก็ทำอย่างที่เราพูดนี่แหละเราก็ทำอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะมีคนมีสมรรถนะมีความรู้คนไม่อาละไมถ่ถนัดความรู้ต้องไปเรียนถนัดการปฏิบัติจริงก็ปฏิบัติให้เก่งไปเลยปฏิบัติไปไม่เป็นไรแต่ใครอยากจะเรียนก็เรียนเรียนได้แล้วเอามาทำงานใครไม่ปฏิบัตไิไม่ได้เก่งดีไม่มีเวลาไปเรียนหรือว่ามันไม่ชอบจะเรียนจริงๆก็ไม่ต้องเรียนทาให้เต็มที่ คอยมีสมรรถนะเรื่องมีสิ่งที่จริงสร้างสรรค์ขึ้นไปให้แก่สังคมโลกและเสสละไม่ใช่มาเห็นแก่ตัวไม่ใช่เรียนรู้มาแล้วก็ได้ความรู้ความสามารถามาเอาเปรียบมาเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวแล้วไปก่อพักเกาะพวกกลายไปเกากองบูใหญ่มาช่วยกันโลกขู่รีดโลกทุกวันนี้แต่ละประเทศต่งวัรวมประชากรรวมพ ล, ลโลกพ ล, ลประเทศเพื่อที่จะมาร่วมหัวกันไปรีดโลกรีดเอาเปรียบโลก มันทำยู่เงี้ยใช่ไหมอ่เพราะก็ต้านกันไปตอนนี้เอเชียกาลังจะรวมตัวกันก็ดีแล้ ว, ลวเราเป็นหนึ่งในเอเชียนึ่งแเราก็จะได้ต่อต้านมันบ้างยุโรปว่ะอเมริกามันรวมตัวกันโอ้โหยิ่งใหญ่เลยเนี่ยเงินบาทในสู้เงินยูโรไม่ได้ต่อไปให้เงินบาทนี่มันขึ้นบ้างเงินยูโรเนี่ยมันให้มันยูโรยมัง่ง มันเป็นเรื่องจริงทําได้ทําทได้เรื่องจริงทําได้แต่จะพูดนี่คงอีกนานครับจะทําได้เราก็ต้องมีอํานาจอํานาจพวกนี้เราไม่ต้องไปสร้างหรอกอํานาจที่เกิดโดยทำอํานาจที่เกิดโดยสัจจะนี่ไม่ต้องไปบังคับใครทุกคนก็จะยอมให้เองนั่นคืออํานาจที่แอบส์ลูที่สุดแสดงว่าอัลติเมทที่สุด ถ้าพ่อครูบอกอย่างนี้หมายความว่าเขาจะยอมให้คือถ้าเขาจะยอมในเองแสดงว่าความดีมันต้องถึงที่ถูกต้องสิเขาต้องยอมรับถูกต้องแล้วก็สยบว่าอันนี้ดีจริงจริงถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพวกเรานี่อโศกเนี่ยเราทําดีหรือยังเราทําดีใช่ไหมแต่มันดียังไม่พอต้องทำอีกอีกอีกอีก and the อีกต้องทําเข้าไปอีกเท่านั้นเองเราทําดียังไม่ได้ดีเพราะทำดียังไม่มากพอ ทำก็ไปเถอะข้อสำคัญทําให้ดีนี่มันจริงๆมันถูกต้องมัไม่ใช่ดีแต่ดีเบีย้ยวดีบิดอะไรไม่เอานะเอาดีตรงตดีแท้แท้มันชัดชัดน่ะทำอย่างงี้ไปเถอะอัตมาว่าเกิดมาชาตินี้เนี่ยอัตมาแม่นแม่นในเป้าในประเด็นชีวิตที่ว่าจะต้องทําอย่างไรอยู่อย่างไรทําพัฒนาอะไรทํางานอะไรรับใช้อะไรอัตมาว่าอัตมาแม่น พระงั้นาตมาก็ไม่มีปัญหาอาตมามีแต่ปัญญาใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่ อ, อไม่ได้บังคับนะชื่อเองนะไม่ได้บังคับน ะ, ะสัจธรรมมันเกิดในประเทศไทยเป็นอย่างนี้ประเทศอื่นใครจะมีประเทศอื่นเขาจะมียังไงอาตมาไม่ได้เป็นคนกว้างขวางไม่รู้เป็นคน ความรู้แคบความรู้น้อยในเรื่องของโลกอตาตมาความรู้น้อยจริงๆในเรื่องของโลกแต่ในโลกอุตระอาตมาไม่กลัวคือหมายความว่าแบบที่พ่อครูทําแบบนี้เนี่ยมันจะมีคนทําก็ต้องมีมีลักษณะแบบพ่อครูด้วยสิครับเพราะว่าถ้าเขามีลักษณะอะไรนะแบบพ่อครูด้วยอ๋อต้องใช่ใชต้องแบบใช่ก็มีอยู่ไง แม้ว่ายังไม่ได้ร่วมมือแต่อัตมาว่า Version. มองเห็นว่าลักษณะนี้มันอันเดียวกันลักษณะนี้มันอันเดียวกันแต่ในยะที่ว่าอันเดียวกันนี่อัตามาบางทีก็อธิบายไม่ได้เช่นอัตมาบอกว่าไอน์สไตน์เนี่ยเป็นโพธิสัตว์ก็ต้องมีในยะที่มันอันเดียวกันคาร์ทีเป็นโพธิสัตว์อัตมาก็บอกว่าคาร์ทีโิก็ต้องมีในยทธอันเดียวกันแม้ในหลวงมีเป็นโพธิสัตถ์ ก็ต้องมีนัยยะอันตรงกันเช่นมาเอาแบบคนจนเนี่ยตรงกันมากเรามาเอาแบบคนจนและวกครองกันด้วยแบบคนจนนี่แหละนะจนอย่างสะอาดบริสุทธิ์จนจริงๆจนคืออะไรจนคือไม่มีของเราไม่มีตัวเราไม่มีของเรามันมีแต่ของส่วนรวมที่อาศัยช่วยกัน อาศัยร่วมกันอาศัยอยู่ได้อาศัยไม่เต็มที่ก็ไม่ว่าพออาศัยได้พออาศัยก็อเอาก็ไปได้อย่างญี่ป็นนี่ยเห็นไหมแล้วก็อาศัยกันไปต่างคนต่างอาศัยกันเลยกันแล้วเราก็ตาพากันไปได้ทุ่ที่กันไปได้เรื่อยๆไม่ว่าวัตถุไวิว่านา ม, มาทำแล้วก็ดําเนินไป เข็นกันไปแม้แม้จะเข็นยากเข็นหนักกันบ้างแต่อตารมะก็ว่าเราก็ไม่เข็นกันยากเกินไปนะนะมันก็ไม่ฝืดเท่าไหร่ใช่ไหมก็พอเป็นไปอจาจจะว่าอะไรอ่ะการเป็นอยู่การอยู่การกินก็ไม่เห็นฝืดนนการใช้การสสยก็ไม่เห็นฝืดการเล่าการเรียนก็ไม่เห็นฝืดนี่ การสร้างการสรรมันก็ได้อยู่นี่แต่มันก็ไม่ง่ายครับคนที่เอาง่ายมามักนี่นะคนนั้นนี่เป็นคนอะไรมักง่าย <laughs> ก็ไปเอาง่ายมามักทำไมมักในภาษาอีสานแปลว่าชอบมักนี่ มักเจ้าเดคคาเปลืมบึงอะไรคือไปหลงรักคนคาเปเข้าเลยลืมดูไปเอแต่ไปรักเข้าแล้วรักคนคาเปมักเจ้าเด้ครับเปลืมบึงคือโดยปกติเราก็โดยจิตวิญญาณของเราอครับเราก็อยากเหมือนผมเรียนหนังสือก็อยากถ้าเรียนคณิตศาสตร์เนี้ยทำข้อสอบเราก็ทําข้อที่ง่ายก่อน แล้วข้อที่ยากก็กักไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็ถูกสิอันนี้ก็ฉลาดเพราทําง่ายก่อนมันก็ได้คะแนนเก็บไว้ก่อนถ้าคุณไปมัวแต่ทาในยากตกลงหมดเวลาทําไม่ได้สักข้อเลยก็โง่ตายก็ถูกแล้วไงก็เป็นความฉลาดที่ทําง่ายก่อนทํายากก่อนมันก็เสียเวลาอนอื่นมันก็กันหมดเลยไม่ได้ทําสักอย่างก็ทําไปสิงพระพุทธเจ้าท่บอกให้ทําต้นก่อนทําง่ายก่อนทําที่เราทําได้ก่อนแล้วก็ค่อยไปตามลําดาบเบื้องต้นทำกลางบปลาย จะโง่ไปถึงไหนโอก็ถูกแล้วไงครรับพาะคุณก็ทําถูกแล้วจะไปทํามาพูดมาโง่อีกทําไมโง่แล้วยังจะย้อนไปฉลาดแล้วยังจะไปย้อนกลับโง่อีกทำไมก็พยายามจะเรียนรู้ครับว่าคือความโง่ของเรามีขนาดไหนเอาดีแล้วละ่ะก <c oughs> ็มันพอเช็คแล้วก็พอไปได้ครับ <laughs> ยังไม่โง่ดักดาน <laughs> เอาต่อนะ วันตอนนี้วันนี้วันแม่ก็คงจะเข้าใจความหมายคําว่าแม่นี่ลึกซึ้งขึ้นเยอะทั้งรูปธรรมและนามธรรมามันมีความเป็นแม่อย่างแท้จริงแล้วไม่ต้องไปเข้าใจแคบแค่ยู่แต่ก็แม่นี่ก็คือเพศเมียที่จะต้องสร้างลูกก้นมาแล้วก็ร่วมกันสมสู่กันเท่านั้นไอ้นั่นมันโบราณแล้วล่ะลุงโบราณแล้วล่ะป้าเขารู้กันทั่วไปหมดแล้วนะไม่ต้องไปไอ่า น, นล้มาเข้าใจคําว่าเพศแม่เพศผู้เพศพ่อเพศแม่ ที่มันเป็นนามธรรมา ท, ที่มันยิ่งใหญ่นี่ได้แม้จะเป็นหลักการก็มีความเป็นอิทธิภาวะอย่างมรรคแปดพชนชงเจ็ดนี่เป็นต้นลึศีลกับปัญญานี่เป็นต้นเป็นหลักการก็มีเพศมีอิทธิภาวะมีปุริสภาวะอยู่แท้จริงนะนี่ก็เรียนรู้ภาวะสองเพิ่มขึ้นจากมหาปุถุรูปแล้ว อุปาทายรูปที่มีตาหูจมูกร่นกายใจแล้วก็มีรูปร้อเป็นเสียงสัมผัสเป็นภาษาทรูปโคจรรูปแล้วต่อมาก็ภาวะรูปอีกสองคืออิทธิสีกับปุริสินสีเนี่ยหรือปุริสภาวะกับอิทธิภาวะเป็นภาวะสองเป็นเป็นทั้งตัวตนบุคคลเราเขาก็เป็นเพศผู้เพศเมียได้สัต ได้ชาติกับเพศผู้เพศเมียได้พืชก็ปีเพศผู้เพศเมียอาการพฤติกรรมก็มีเพศผู้เพศเมียหลักการศีลกับปัญญาเป็นต้นหรือโพิปักเกยติโพิชงเจ็กับมัก8เป็นต้นก็มีเพศผู้เพศเมียได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเข้าใจภาวะรูปสองอย่างเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่าอย่างนี้เป็นต้น เพราะเราก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆ อ, อุปาทายรูปยี่บปดนี่อาตมาก็จะค่อยๆขย้ยยยายไปตามลําดับคตายยรูปคือจิตของเรามันตั้งอยู่ที่ไหนที่นั่นและไม่มีสถานที่ไม่มีขนาดไม่มีเวลามันเกิดเมื่อใดเมื่อนั้นที่เรามีจิตเข้าไปเห็นว่าเออว่าจิตของเราในตอนนี้กําลังจิตกําลังทํางาน จิตกำลังตรงนี้เรากำลังจับจิตเราได้จับจิตเราได้ก็แสดงว่าเรารู้แล้วตัวนั้นเป็นหาทายยรูปอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละตรงไหนตรงนั้นมันไปบอกได้ที่ไหนแล้วมันอยู่ตรงหน้าผากมันอยู่ตรงปลายตมกูกมันอยู่ตรงหัวใจช่องจีซี 4, มันอยู่ที่ไหนมันไม่มีใช่ไหมอ่า เพราะงั้นคําว่าหัตถยรูปที่เขาเข้าใจผิดการเรียนในพระอภิธรรมกันมอกวอยู่ที่หัวใจช่องดีซี 4. หัวใจสี่ห้องแล้วมีช่องห้องดีซี 4. อะไรเนี่ยมันพูดเป็นเล่นไปมันไม่มีที่อยู่ไม่มีเวลาไม่มีขนาดไม่มีตัวตนแต่เรารู้ได้โดยญาณว่าหัตยรูปอยู่ตรงไหนก็จับให้แม่นอย่าให้มันคลาดคลาอย่าให้มันผิดไปจับให้มันรู้เลยอาการลิงขังน้นนิมิตมันอยู่ตรงนี้อย่างนี้ แล้วก็จัดการทำางนานก็มันโดยต่อจากฮัทยรูปก็มีชีวิตตินซีชีวิตรูปรูปที่มินชีวะเพราะฉะนั้นถ้าชีวะของผีชีวะของสัตว์นรกเอาไว้ไหมไม่เอาไว้จะฆ่าชีวิตมันให้อาสันไม่ให้มันมีอาการของชีวิตเราก็จะรู้ความวาเป็นอินซีของชีวิตคืออย่างไร ดิกลีของชีวิตพลังงานของชีวิตน้ำหนักของชีวิตลีลาของความเป็นชีวิตมันจะมีมากมีน้อยมีเบามีหนักมีอะไรยังไงเราก็ต้องอ่าอาการนะั่นมันเป็นนามธรรมอันนี้ไม่ใช่ชีวิตขั้นรูปธรรมแล้วในสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแล้วแต่เป็นนามธรรม็นธรรมดามันไม่ก็อยู่ไม่เที่ยงอะไรกันนะกันนะ จากชีวิตินทรียเราก็รู้ได้ว่าอาการของจิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะอาการที่มันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกสัตว์ชั้นต่ําหรือเป็นกามสัตว์เป็นรูปประสาทเป็นอรูปประสาทใดๆก็แล้วแต่คุณเห็นแล้วคุณอ่านออกคุณหมดความเป็นสัตว์ก็จะทําได้ถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณจะหมดความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณได้ไงใช่ไหมชีวิตินรีจากชีวิตินซีอาหารรูป รูปทางเครื่องอาศัยดินน้ำไฟลมเออปนนมน็นเครื่องอาศัยทั้งนั้นองค์ประกอบอะไรต่างๆขึ้นมาเกี่ับเครื่องอาศัยยิ่งในชีวะที่จะเอาร่างกายให้มันไม่ตายนี่ก็คือกาวลิงกราหารเป็นอาหารคือคำข้าวอาศัยความรู้ก็อาศัยวิชิวิชาการก็อาศัยเครื่องอาศัยต่างๆ แล้วเครื่องอาศัยเหล่านี้แหละเราเอามาประกอบด้วยองค์ประกอบศิลปมีความรู้ความสามารถมีศิลปะในการประกอบเพื่อให้เป็นเครื่องอาศัยที่นำพาไปสู่ความเจริญนำพาไปสู่นิพพานคุณต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นถรรมันำพาไปสู่สภาวะอากาศท่านใช้คาว่าต้องไปถึงอากาศสาัทาความว่าง ไปอยู่ในที่ว่างๆต่เป็นอากาศซานันจายตนะสัมผัสได้ว่าโอ้มันว่างดีมันไม่หนักไม่น้ำมันโล่งมันโปร่งมันประพัดซ้อนมันอภัสรามันเบาดีว่างดีง่ายดีสะดวกดีคล่องดีโอ้มันไม่หนักไม่ฝืดไม่ลําบากตรงกันข้ามกันกะกิลมัฏฐมันสบายมากเลย อาศัยนะั่นไม่เครื่องอาศัยคําว่าอาศัยอยู่นี่แปลว่ามีแปลว่าโหติถ้ามไม่มีอะไรอาศัยกันแล้วมันหนะโหติแล้วมันไม่มีอะไรแล้วศูนย์เพราะสิ่งที่ยังมีอาศัยกันและกันและยังอาศัยอยู่หรือยังอยู่วิหรติยังอยู่อันนั้นคือสิ่งมีเพราะฉะนั้นสิ่งมีเราต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุด เพราะอากาศว่างนี่คือพฤติกรรมที่อยู่ในว่างไม่มีฝืนไม่มีแต่คล่องสุดคล่องเลยสะดวกสุดสะดวกเลยทุกอย่างเลยหมุนได้อย่างสูดมากคล่องมากดีมากเร็วมากไม่มีปฏิกิริยาร้อนมีแต่เย็นสบายไม่เย็นมากจนเหนียว ไม่ร้อนมากจนสลายทำลายอะไรอย่างนี้เป็นต้นได้อย่างพอเหมาะพอดีเลยนี่คือลักษณะที่เราต้องการอาศัยนี่เรียกว่าอาหารรูปถ้าไม่มีอาหารรูปแล้วไม่มีบางเบาถึงขนาดอากาศสถานแล้วก็เลิกเลยศูนย์เลยไม่เหลืออะไรเลยนั่นก็เลิกไปเถอะคุณจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลอกของคุณ ปริโยสานปริิ์ปรินิพานปริโยสานก็ตามใจคุณถ้ายังไม่เลิกคุณก็ต้องมีอาศัยสิ่งที่ดีที่สุดเป็นอาหารรูปที่ถึงขั้นอากาศสาธาติดังว่านี้ส่วนปริเฉทรูปนะรูปนะร ป, ปริเฉท ร, รูปหรือบางทีเขาก็ใช้อัตมาใช้ภาษาอังกฤษมาคากับประกอบว่าปริเฉท ร, รูปนี่ก็คือ องรวมที่เราจะต้องรู้องรวมว่าอะไรมีทั้งหมดในนี้และอะไรมันเกี่ยวกับอะไรกันอยู่และมันอยู่กันอย่างไม่สงบอยู่กันอย่างไม่เจริญคืออะไรจัดการมันให้ได้ตัวร้ายก็เอามาใช้ในนี้ตัวดีในกันแน่นอนเอาใช้อยู่แล้วเอาตัวร้ายมาใช้ให้มันอย่างที่มันมีลักษณะร้ายเนี่ย กลายเป็นสิ่งสร้างเสริมอยากให้กลายเป็นสิ่งต่อต้านกลายเป็นแรงทดอยากให้กลายเป็นแรงต้านนี่คือศิลปะยิ่งใจเพราะฉะคนที่สามารถทำสีที่คอนทราสต์ทำสีที่เป็นสีปฏิปักษ์กันเป็นคนละขั้วกันไดน้เอามาผสมกันได้แล้วสีนั้นกับเสริฟไปดูดีดู ได้คุณค่าประโยชน์สวยงามดับพอเหมาะเลยอย่างเด่นด้วยจนกลายเป็นไฮไลท์ขึ้นมาได้อย่างดีเลยไม่ขัดเคินเลยดูแล้วกลมกลืนดีโอ้โหไปด้วยกันได้เลยเหมือนกาคาบพริกเห <c oughs> <c oughs> มือนอี ก, กาคาบพริกแดงพริกสดพริกสุก <c oughs> ไปได้ดกันเป็นไฮไลท์ไง แต่ดูแล้วกลมกลืนดูไปได้ด้วยได้ผสมสวนได้ดีแต่มีไฮไลท์ที่ไม่ดูไม่ดูลดออกมาแต่เป็นสิ่งชูด้วยชูเตะตาให้หน่าชมชูเตตะให้หน่านี่เป็นเรื่องของความสามารถความรู้ในการที่จะคอมโพสจัดคอมโพสิชันนี้ให้มันได้ฮาร์โมนีให้มันกลมกลืนแล้วก็มีสิ่งที่มีเนื้อหา ที่บ่งถึงจุดสำคัญนำไปสู่มีคอนเว r เชนส์นำไปสู่อินเทรสพอย i ์นะหลอภาษาวิชาการเลยไปสู่จุดอันประสงค์ได้อย่างแม่นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือศิละปะนี่คือศาสตร์ที่สามารถประกอบองค์ประกอบได้นะจ ose, นะัดคอมโพสตสร้างโปรเจกต์เป็นโปรเจคชันที่มีคอนเว r เชนส์ไปสู่ Interest ไปได้อย่างสมบูรณ์ Convergence คือสิ่งที่มันโน้มนำพาไปสู่จุดหมาย Convergence แต่ถ้ามันไม่ Convergence มันก็จะกลายเป็น Converts ถ้าไม่ Convergence มันจะกล า, า, ายเป็น Converts นี่ภาษาอังกฤษมันจะกลายเป็นซัดกันเอง คอ uh, <laughs> นเวร์มันก็เ็ะมันก็แต่ถ้าใครเก่งสามารถให้มันมาร่วมกันนำพาไปสู่จุดหมายด้วยกันได้นี่เรียกว่าคอนเวิร์แดนสใครทำได้เก่งมาต้องทำให้ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความประเสริฐเป็นความสามารถที่ดีแล้วต้องทำก็พยายามพยายามอยู่นะเราพยายามคุณประยุทธ จันโอชาก็พยายามทําอยู่แต่จะทําได้แค่ไหนก็แล้วแต่ <c oughs> กําลังทําอยู่อย่างยิ่งนั่น เ, นนเองพลเอกประยุทธ์กำลังทําอยู่เหมือนกันให้ไปสู่จุดหมายที่ดีงามได้ก็เอาอนุโมทนาสาธุให้กําลังใจ ท, ทําเถอะตั้งใจดีๆทํำไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีเพราะงั้นพวกเราที่กําลังมาเรียนรู้นี่มาเรียนอะไร มาเรียนในสถาบันสำคัญมาเรียนในสถาบันที่กำลังจะนำพากันไปสู่การศึกษาให้เกิดผลประโยชน์สร้างคนสรรค์่าสร้างคนขึ้นมาให้เกิดเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าในโลกไม่จะเป็นคนทาลายไม่จะเป็นคนที่ขัดขวางไม่ใช่เป็นคนที่มาทวงโลกทวงสังคมอะไรเขาอยู่แต่เป็นคนที่ช่วยสร้างสรรค์ช่วยนำพา ช่วยอยู่กันอย่างดีงามบางอย่งคนที่เขาโง่หรือเขาที่ไม่ฉลาดจริงเขาก็ทำเลวทำชัว่วทำอะไรอยู่มันมีอยู่ได้ช่วยเขาไม่ได้เราก็ไม่มีความสามารถจะไปแก้ไขเขาได้ก็ต้องปล่อยไปตามยถ า, ากรรมเพราะนั้นใครช่วยได้ก็เราก็ช่วยกันไปภาคเพียรมีอุตสาหะมีวิริยะตั้งอกตั้งใจช่วยกันอยู่อย่างนี้แหละภาคเพียรสร้างขั้นขึ้นไปให้มัน นำพากันไปสู่ที่เจริญที่สู่ที่สูงกันจริงๆนะเราก็ได้ประโยชน์คุณค่าจากการศึกษาของพริุทธเจ้านี้ได้นำพากันช่วยกันสร้างคนละไม้คนละมือนะก็ขอบคุณทุกคนนะ่ะตั้งแต่คนเช็ดปัดกวาดถูซ่วมไปจนกระทั่งทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ร่วมกันนี่แหละมาช่วยกันสร้างราชธานีของประเทศไทยจริง ๆ, ๆกันหน่อยนะ เรื่องกันตรงนี้เมืองที่มันทรมานทรกรรมในน้าท่วมกันอยู่เสมอนี่แหละพ อ, อะถึงเวลาทีนึงก็มาแล้วท่านนา้าจนกระทั่งเราก็อยู่ไปจนกระทั่งพยายามทางป้องกันหาทางช่วยตัวเองหาทางที่จะทาอยู่มันจนได้แหละไม่หนีอยู่มันตรงนี้ช่วกันสร้างก็ยังก่ออยู่ไป ขนาดจะอยู่มันที่ที่ไม่ค่อยจะเข้าท่าแท้ๆมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่แท้ๆคนก็ยังมารังควานดูที่นี่ซื้อที่ดินมาในเงินสดซื้อจักรสารนะย่างจะมันแย่งกันอีกโอ้เจ้าพระคุณมันวีบากจริงๆขนาดที่น้าท่วมที่น้ำท่วมเลยถ้าไม่ไปแย่งที่มันดีๆกันดีหน่อยเจ้าประคุณ มันเป็นวิบากมันเป็นอะไรซับซ้อนที่อาจินใจนั่งพูดยากแต่เอาเธออาตมาไม่มีปัญหาอะไรนะตกลงกลางไว้ว่าจะพูดถึงเด็กกำเก่าสิ่งแวดล้อมตัวเองผู้เลี้ยงดูอบรมเนี่ยเหลือเวลาอีกสิบนาทีไม่สิบหรอกนี่มันสิบมองสี่สิบเก้ามันเลยมานะนี่เพราะคช้าอาตมามานั่งนี่มีมาคนเดียวนะค่อยๆกล ก, กายกลกายมา กว่าจะได้คนเท่านีนา้เสียเวลาไปอย่างน้อยห้านาที8นาทีแล้วาะก็ต้องบวกต่อไปเอามาเข้าสู่เด็กเจริญได้พูดถึงแม่ไปมากแล้วพูดถึงลูกมากเพราะเด็กเจริญหรือตกต่ำนี่เหตุที่จะทำให้เด็กเจริญหรือตกต่ามีเพรหนึ่งกรรมเกา่าสองสิ่งแวดลอ้อมสามอ้อยสองตัวเองสามสิ่งแวดลอ้อมสี่ผู้เลี้ยงดูอบรม กรรมเก่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ได้มันมีจริงทุกบุคคลมีกรรมเก่าทั้งสิ้นในศาสนาพุทธชัดเจนแล้วอัตมาก็ชัดแล้วพวกคุณก็ศึกษาดูพิสูจน์ยืนยันแต่มันเป็นสัจจะเป็นความจริงนะกรรมเก่าสองตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเกิดมาเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยมารับวิบาก ค, คุณก็ต้องพัฒนาวิบากของคุณให้มันเจริญให้มันหมดกิเลสให้มันดีขึ้น คนเรามีวิบากทุกคนมากหรือน้อยแล้วแต่แม่ ต, ตาต ม, า ก, ม, า, มาก็มีวิบากพุทธเจ้าก็มีวิบากทุกคนน่แต่เลยอรหันไปแล้วนี่ไม่จะไปห่วงท่านเพราะอารหันไปแล้วนี่ท่านรู้ถึงสมมติโลกเลยแตสมมติสัจจะหรือโลกียะท่านไม่ทำแล้วท่านรู้ส ม, มุติโลกท่านรู้โลกียะแล้วท่านไม่ทำสัพปะปาปัสาะการนังไม่ทำละท่านทำแต่ดี ดุสรัตสู้ประสัปสท า, าทำแต่สิ่งที่เป็นปรมัตธรรมเพราะฉะนั้นก็ยกไว้สำหรับพระอาหารหันต์ขึ้นไปคนที่เป็นตัวเองก็ตามคนที่เป็นตัวเองที่ยังไม่ใช่พระอาหารหันต์เราก็ต้องทำปัจจุบันอดีตไปแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นเบี้ยวอะไรก็ไม่ได้ เ, เบี้ยวอดีตไม่ได้เป็นยังไงก็เป็นยางงั้น อนาคตก็ยังมาไม่ถึงก็เหลือแต่ปัจจุบันที่คุณต้องทำเพราะตัวเองจึงขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบันเป็นตัวหลักเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามก็ขึ้นกับปัจจุบันเป็นตัวหลักทีนี้เด็กนะ่ะมันถูกครอบงำถูกนำพาถูกจูงเราก็จะต้องดูแลช่วยกันสิ่งที่นำพาสิ่งที่แวดลอ้อมสิ่งที่จูงไปสิ่งที่มันพาบางับางคับมังอะไรบาง คือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเราก็จะถ้วยทำสิ่งแวดล้อมทั้งในวัตถุทั้งในพฤติกรรมโดยเฉพาะจิตวิญญาณต้องทำจิตวิญญาณนำพาด้วยให้เป็นจิตวิญญาณที่มีพลังพาเข้าไปส่วนเหตุปัจจัยที่เป็นวัตถุเหตุปัจจัยที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์แม้แต่ที่สุดหลักเกณฑ์ข้อบังคับเราก็ต้องมี แล้วเราก็ต้องตรวจสอบต้องดูสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นตัวเองของเด็กเองก็ตามมีมากับกรรมเก่าแต่เราเปลี่ยนแปลง น, นี่ต้องเอากรรมใหม่พฤติกรรมใหม่เข้าไปทดแทนเข้าไปแก้ไขเข้าไปปรับปรุงขึ้นพฤติกรรมใหม่จึงต้องสั่งสมกรรมใหม่กรรมปัจจุบันนี้ ด้วยสิ่งที่แวดล้อมประกอบองค์ที่เรามีสิ่งต่างๆที่จะนำพาเราซึ่งเรามาช่วยกันช่วยกันทุกอย่างทั้งพฤติกรรมของเราทั้งน้ำใจของเราทั้งวัตถุเช่นเราไม่ให้ไม่แต่ต้องไปวุ่นวายกับวัตถุที่มันเป็นพิษเพราะเรายังอยู่ไม่เดียงสายังไม่อยู่ในวัยที่ควรสมควรเหมือนกับเราสอนเด็กอย่าพึ่งไปจับมีดไอ้หนู ยังไม่เป็นประสีภาษาไปจับมีดเป็นภัยต่อตอนเองเป็นภัยต่อสิ่งอื่นด้วยอย่าไปจับมีดยังไงยังไม่พอจะจับมีดอง น, นี้เป็นตน้นเราก็ไม่ให้เด็กจับมีดชั้นใดเครื่องมือเทคโนโลยีหลายอย่างสิ่งที่เป็นของโลกเงินทองนี่ยิ่งกว่าอสารพิษเราไม่ให้เด็กของเราเนี่ต้องใช้สุรุยสุรายจับมีอยู่ในมือเป็นกอบเป็นกองอะไร อาตมายัางจําได้ชีวิตอาตมามาวันหนึ่งอาตมาไปตลาดกลับมาไม่ใช่กลับมาแลก่อนจะกลับมาอาตมาเจอเงินตกอยู่หน้าตลาดสิบตังเงิเยสิบโอ้โหดีใจได้เงินสิบแมดีใจวิ่งมาเลยมาอวดพ่อพ่ อ, พอเก็บเงินได้สิบตังพ่อริบเลยไม่ได้เอาไปสองตัง พ่อรีบเงิน10บเราไปเลยให้เรามาสองตังค์แม่ใช้1ิบแม่ถือเรามีสิทธินะเรามีสิทธินะเ<อ>พราะเราเก็บได้อะแสดงว่าค่าสิบตังตนนค์ ส, งสมัยนั้นมีค่าสูงนะแสดงว่า10ตังค์สมัยนั้นมีค่าสูงไม่บอกสาหรับเด็กไม่หรอสสำหรับเด็กมีค่าสูงย์สำหรับเด็กไม่ใถ้าไม่ให้รีบเลยเอา1ิบตังค์ไปให้มาสองตังค์ แล้วทําไมให้เท่านี้เ ร, เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเร า, เราไม่ได้เป็นคนดื้อด้านอะไรกางสองตังก็สองตังถ้แต่ในเงินเราเก็บได้เอามาเอ๊ะดิบอไดสิบตังเก็บได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปนี่เอาไปสองตังเสร็จเลยแสดงว่าใจพรอครูดีครับถ้าเป็นผมคิดลุงนี้ไม่บอกสกเลยากทุบเลยไม่ทุบเงินมาขึ้นคืนมาเลยนะของเราเราเก็บได้ไม่ใช่ของพ่อนี่นะคืนอย่างนี้เป็นต้น แม้แต่อยนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะงั้นที่นี่ไม่ให้ ย, ยังไม่ลองต้องกระฐานแม้ผูนาฬิกาอวดโอกันไม่ต้องมาใช้โทรศัพท์สส ม, ม, ทมือถืออะไรก็อย่าเลยมันใช้ได้ต้องการมีความจําเป็นที่จะต้องใช้อย่าเอาเงินมาใส่มือบอกพ่อแม่กูย่าลูกเราไม่มีเงินใช้มาจะอะไรเลยเอามาซุกมาซ่อนเอามาฝากคนนั้นคนนี้แอบให้คนนั้นอย่าทําเลยรับรองว่าอยู่ที่นี่หปี10ปีอยู่ที่นี่เด็กมันไม่ ตกต่ำหรอกมันใช้เงินเป็นไม่ต้องกลัวว่ามันโอ้โหตายตายตา ย, ตายมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยจบออกไปแล้วใช้เงินไม่เป็นอย่าไปกลัวมีแต่มันจะใช้เงินเป็นนที่นี่ไม่จะทําให้เสียหรอกเขอยืนยันนะเพราะว่าหลายๆอย่างที่อาตมานำพาอยู่นี่เป็นปัจจุบันระมัดระวังทั้งสร้างกรรมใหม่สร้างพฤติกรรมใหม่ให้กันเด็ก แล้วก็สร้างแล้วมันระวังสิ่งแวดล้อมจัดดูแลพาเด็กทํางานหาวเรากินแรงงานเด็กอะไรนี่เป็นต้นปัดโทษแล้ให้มันนอนอยู่เฉยๆแล้วมันจะทําอะไรเป็น oh. เราทําให้เราเอาเด็กไปทํางานจะขยันหมั่นเพียรมันจะเหนื่อยบ้างมันก็พักเราไม่ได้ไปทรมานเด็กเลย เด็กคนไหนที่มันเหนื่อยมันอะไรแล้วก็ให้พักอะไรเราก็ไม่เคยไปบีบบังคับอะไรเกินการให้พ่อหมาพอดีแล้วไม่ได้มาทารุณทานรันอะไรเลยคนเราก็ใส่ความกันเรื่อยได้สิ่งที่ทําอยู่นี่ก็ไม่ได้สิ่งตกต่ำไม่ได้สิ่งเลวร้ายอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราประมาณที่เรารวนแล้วแต่เป็นสิ่งสร้างสรรค์เด็กที่นี่จบออกไปจากที่นี่แล้วรับรองมันเป็นงานมันทําอะไรต่ อ, อะไรเป็นมันทําอะไรต่ อ, อะไรได้เกินเด็กข้างนอกเยอะแยะเข า, ย, าขออยืนยันเลย ที่อื่นเขาไม่กล้าทําก็ไม่โสเสียแบบอโศกหรอกเขากลัวของเขาจบหายขนาดของรัฐเขายังไม่กล้าโสเสียเลยขนาดระดับมหาลัยเขายังไม่มีให้เหลยไม่ไม่เลยไม่เท่าของเราของเราเนี่โอโ้โหบางทีนี่ทํากล้องหายตัวแล้วเราสามแสนเราก็ไม่วางไงสวยสวยก็จริงในเรื่องจริงอมาพูดแล้วก็ไม่วาไ ง, ง, งอาหาร <laughs> ก, าก็หายทําไงได้มันก็ไปเจตนาจะให้หาย มันทำหายเองแล้วมันหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่เออเถอะมันก็อย่างนั้นโจรมันก็ต้องเก่งนะก็ไม่ว่าไงนี่เป็นต้นยกตัวอย่างรถลาขับเอ้าชนเอ้าชนก็ชนแต่ก็ต้องระมัดระวังบังคับกันบ้างดูแลกันบ้างเขียนตีกันบ้างอย่าไปทำให้มันเอาตามอำเภอใจนักอะไรนี่เป็นต้นเราก็ว่ากันไปก็มีวิธีสอนเราก็มีวิธีแนะนำ เพราะสิ่งแวดล้อมนี่จึงเป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนในการที่จัดสิ่งแวดล้อมที่จะนําพาให้เจริญสิ่งแวดล้อมที่นาพาจเจริญ น, นี่ซัมปะวังโกนี่จึงไม่ใช่เรื่องเล่นนะผู้เลี้ยงดูอบรมข้อที่ 4, สี่สคัญคนพูดจะนําพาเลี้ยงดูประมาณไม่เป็นไม่รู้ด้วยจะให้เด็กไปยังไงอะไรยังไง ผู้เลี้ยงดูจึงต้องเป็นสั ต, ตบุรุษต้องเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาเลี้ยงเพราะงั้นพ่อแม่ไปจ้างคนมาเลี้ยงลูกนะมาเป็นคนเลี้ยงลูกเจะบอคุณเ อ, อ้ยความรู้ก็าหม่มีความตัมามัานมีจิตวิทยาก็า ม, ม่มีอะไรเลย ม, มีเอากันจริงๆก็คือความรักแล้วมันจะมารักเด็กเทอลูกเราเหรือ แล้วก็ให้มันมาเลี้ยงลูกแทนเราด้วยความไม่รู้ไปจ้างมาไปเห็นแก่เงินมากก็เห็นแก่ลูกก็ไปจ้างเห็นแก่เงินไปหาเงินเอาเวลาไปหาเงินแล้วก็มาจ้างคนมาเลี้ยงลูกเพราะทางตะวันตกนี่เขาเข้าใจแล้วเพราะเขาแต่งงานแล้วแม้ผู้หญิงคนไหนที่เขาแต่งงานแล้วเขาก็ออออกละเลิกทํางานมาให้เลี้ยงลูกให้มาดูแลลูกซะ เป็นแม่บ้านก็เ ข, เข้าใจแล้วแต่เมืองไทยดันให้ผู้หญิงออกไปทํางานคือมันลาหลังเขาในประเทศไทยเมืองนอกเขานี่ผู้หญิงเขาเป็นดอกเตอร์แล้วเกา็ลาออกมาทําเป็นแม่บ้านแล้วให้ผัวทํางานคนเดียวเลี้ยงหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่คนไทยเนี่ไม่ได้ต้องให้ผู้หญิงให้แม่ออกไปทํางานอีกแล้วไปจ้างคนใช้ที่มัน ไม่ได้มีความรู้ความว่าจมาดูแลบ้านช่องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าลูกมันก็เป็นลูกคนใช้อะ น, นี้สมน้ำหน้าแล้ว <c oughs> ก็ได้ภูมิรู้ได้ความสามารถอะไรท้าคนใช่คอบใคไม่ได้เราดูถูกคนใช่หรอกคนใช่บางคนอาจจะนิสัยดีกอนแม่อีกก็ได้จริงอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องอธิบายกันไปนี่ขอยกเว้นใช่ไหมแต่โดยค่ารวมันเป็นยางง นะแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยมือทีนะ่ไว้ใจคนอื่นได้เท่าเลยดีไม่ดีเห็นมันล้เกิดคดีโอ้โหคนเลี้ยงผู้เลี้ยงไปทำลายทำร้ายลูกอะไรอย่างนี้ตายตายตายตา ย, ตายดูนาฬิกาแล้วส1บ1อ็ดโมงหนึ่งนาทีแล้วครับอ้าวรยังไม่ถึงเก้าเราจะจบส1บ9อ็ดเก้านาทีอ๋อครับ <laughs> เรามาเอาถึงสิบอ่า เอาอีกนิดหนึ่งสรุปนะเดี๋ยวให้องนี้สรุปบ้างสรุปแล้วเด็กที่จเจริญไม่ตกต่ำนี่จะต้องไอ้กรรมเก่าเราไปแก้ได้ไม่ได้ตัวเองของเขาทุกคนเด็กทุกคนต้องรู้ตัวให้ดีว่าตัวเองต้องตั้งใจดีต้องฟังผู้ที่ท่านเป็นผู้ใหญ่มีวัยวุฒิมีความปรารถนาดีมีความรู้สอนเราแนะนำเรานำพาเราโดยยิ่งพ่อยิ่งแม่ ยิงเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งต้องไม่มีพ่อแม่คนไหนปรารถนาร้ายอาจจะมีพ่อแม่ที่ปรารถนาร้ายก็ไปข้อยกเว้นนะ่ะมันน้อยนะคนชั่วขนาดหนักนะโดยสามัญทั่วไปจะมีใครปรารถนาร้ายต่อทันปรารถนาร้ายต่อลูกไม่มีนะเพราะงั้นก็ต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่ก็ต้องฟังเลี้ยงดูกันสร้างสิ่งแวดล้อมองประกอบเพื่อที่จะให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก ที่จะหลอล้อมเหล็กอ่อนหรือโมเล ก, กุลต่างๆที่จะเข้ามาสู่สนามแม่เหล็กนี้หนักมันให้เข้าสู่ทิศทางที่ดีมันเป็นมันมีอํานาจอย่างนั้นจริงๆริงสิ่งแวดล้อมีอํานาจอย่างนั้นส่วนตัวบุคคลผู้เลี้ยงดูอบรมสําคัญเพราะาคนในที่นี้ผู้ใดที่ไม่เหมาะสมจะเลี้ยงเด็กจะดูแลเด็กอย่ากให้ดูผู้ใดเหมาะสมที่จะดูแลเด็กดูได้ ดูแลเด็กไม่เป็นทํางานเป็นเด็กแบบผู้ใหญ่ก็ไปทําผู้ใหญ่คนใดผู้พอเลี้ยงดูเลี้ยงดูดูแลเด็กได้เอามันมันก็มีความถนัดและมีความชํานาญมีความสามารถต่างกันเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้เราทำซ้อนอยู่ในสังคมโลกสังคมประเทศซ้อนเราก็สร้างโรงเรียนที่จะให้เป็นโรงเรียนที่ดีสถานการศึกษาที่ดีหลอ่หลอล้อมมนุษยชาติที่ดีเราทํางาน การเมืองภาคประชาชนหน้าที่สร้างเยาวชนสร้างคนลอล้อมตั้งแต่เยาวชนไปถึงผู้ใหญ่เพื่อให้เป็นคนดี <c oughs> คนมีประโยชน์คนมีความรู้ความสามารถให้แก่สังคมประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นหน้าที่ของการเมืองมีหน้าที่ของประเทศเราก็ทาแม้จะเป็นภาคประชาชนเราก็ทำงานการเมืองภาคสร้างประชาชนนี้สร้างอนุชนสร้างเยาวชน ให้แก่สังคมอยู่โดยเจตนาดีโดยความรู้ความสามารถเท่าที่มีรัฐจะช่วยอุนินบ้างก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราก็ทำเต็มที่เต็มมือใครจะมาช่วยกันก็มาอย่างนี้เป็นตน้นมาตอนนี้ก็คิดว่านักการศึกษาและนั ก, กวิชาการที่จะมีปัญญารู้ว่าเราทำอะไรทำเพื่อใคร เขาจะเห็นจริงต่อไปเขาจะค่อยทยอยมาช่วยแล้วไปบังคับก็ไม่ได้หรอกเอาเงินซื้อไม่ได้แน่นอนเพราะเรามันมีเงินสร้างเงินซื้อก็แน่เขาจะต้องเซ็นสละมาเองหรือซัพเขาจะค่อยทยอยมาเมื่อเขารู้ว่าไอ้นี่โอ้อันนี้บริสุทธิ์สะอาดดีและเป็นผลดีด้วยคุ้มกับการจะลงทุนตัวเขาเขาจะมาลงทุนร่วมมือจะเป็นเองก็ค่อยทาให้ดีๆไปเถอะ ทำไปดีๆไปตอนนี้ก็เริ่ม ม, มีแล้วมีดอกเตอร์เข้ามาเข้ามาบ้างแต่ก็อย่างเราก็ยังยากอยู่ยังอะไรได้อยู่เขาค่อยเป็นไปไม่ดอกเตอร์แล้วแต่ก็จะมีคนรู้คนที่ไม่ใช่คั น, เ ร, นเรียนได้ร่ามาสูงส่งอะไรแต่มีความชํานาญมีความรู้จริงก็จะมาช่วยกันสรุปแล้วเราก็จะมีโรงเรียนหรือมีสถานการศึกษาที่จเจริญขึ้นอย่างแท้จริงค่อยเป็นไป ต่อไปในอนาคตคนที่จะได้เข้าสมาสิกานี้ยากต้องคัดกันจริงๆเพราะมันจะกลูกเกลียวกันมาเข้าไม่ง่ายแต่ที่นี่ไม่รับแปเจียมากินเงินหมาหมาเจียเกาเจียนี่คือหมาเจียไม่เอาไม่เอา ที่นี่ม่กินเงินหมาเจีย๊ยนี่แต่ความจริงอ่าก็รับความจริงกันตอนนี้ก็ทําเป็นแหมมาเข้าเด็กมาอยู่ก็แหมอยู่ไปไม่ต่างอะไก็ น, นี้คือมันก็ไม่ค่อยรู้กันถ้าเขารู้เขาไม่ออกไปหรอกอ่าเพราะงั้นคนไหนที่เด็กๆเนี่ยรู้ตัวทนให้มันอยู่ให้มันจบต่อได้อีกที่นี่พยายามทาทางต่อให้อีกหน่อยจะต่อถึงบริดาเอกก็แหละก็ค่อยเป็นไป นีปริยตรัติยังไม่ได้เลยก็ยังไม่ยอมให้เลยมันไม่เป็นไรแล้วก็สู้ทนไปเอาเอาละเหลือเวลาอีกสานาทีคให้ทันสรุปพูด <laughs> ถึงเรื่องเด็กิดหนึ่งคือดูว่าในอนาคตเนี่ยคนมาเข้าเรียนสมาศิขานี่ที่จะแย่งเข้ามาเนี่ยโอ้โหถึงตอนนั้นเนี่ยต้องคิดมากเลยนะ <laughs> ถ้ามันเป็นจริงเนะี่ย <laughs> <laughs> เพราะว่ามันจะมีพวก มีอำนาจในสังคมใช่มีทุกอย่างและลำบากถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะลำบากใจมากเลย <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเป็นพวกคนที่ศรัทธาสนใจชาวบ้านธรรมดาเราก็ไม่ยากในการคัดเลือกแต่ถึงตอนนั้นมีพวกที่มีวรรณะสูงๆขึ้นมามีชนชั้นขึ้นมาในสังคมเนี่ยชนชั้นปกครองขึ้นมาเนี่ยอาตมาว่าโอ้โหตอนนั้นคัดเลือกเด็กนี่คงจะทรมานอะ่ะเราจะต้อง <c oughs> คิดกันมากเลยมันเปน ไ, ไปตามธรรมดา <c oughs> วันนี้พรอครูได้พูดถึงเรื่องของความเป็นแม่นะีก็ประเด็นอยู่ที่ว่าพรอครูบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ในมหาจักรวาล น, นะความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะศีลนะเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อแล้วพูดถึงเรื่องอิทธิภาวะกับปริสภาวะนะให้ฟังว่าแยกแยะว่าอิทธิภาวะคือภาวะที่ยังไม่สมบูรณ์ปริสภาวะคือเป็นปริสภาวะคือเป็นคุณธรรมที่แข็งแรงแล้วนะ แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะแล้วก็เน้นย้ําว่านะสร้างมาสร้างช่วยกันสร้างคนนะนะสร้างจิตวิ ญ, ญญาณที่ดีมีพ่อมีแม่คือมาช่วยสร้างจิตวิ ญ, ญญาณที่ดีแล้วก็สร้างสร้างจิตวิ ญ, ญญาณที่ดีเนี่ยเป็นไปได้มากแต่ยากนะแต่ว่ามักง่ายไม่เอานะแต่มาถามแทรกกันดูนะลักษณะนั้นนะแล้วต้อครูทดสอบ ก็เลยโดนนะโดนฟ้ามืออรหันต์มันก็มันก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งคือผมก็ได้ตรวจสอบว่าผ่านไม่ผ่านเพราะว่าการเป็นครูก็เหมือนสอนเด็กอ่ะสอนเด็กก็เราก็จะทดสอบเด็กว่าเอ้ยอันนี้เป็นโจทย์อันนี้แล้วเด็กจะเป็นไงบ้างนะนี่แต่มาก็เหมือนกับเด็กน้อยที่มาเรียนกับครูใหญ่อ่ะนะครูใหญ่ก็เห็นว่าอลองให้โจทย์นี้สิเป็นยังไงบ้าง ในการเรียนรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรช่วยกันสร้างพวกครูจะเน้นย้ําบ่อยๆว่ามาช่วยกันและท่านก็บอกว่าท่านเป็นพ่อพันธุ์ที่สร้างสิ่งนี้เนี่ยเป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์โพธิสัตว์นะเราก็เป็นคนที่ช่วยนะเลี้ยงลูกของพ่อพันธุ์อันนี้ให้เติบโตขึ้นมาให้ได้นะให้ดีนะตามที่ท่านได้สร้างขึ้นมาแล้วเราก็ช่วยสร้างกันด้วยเนี่ยนะ คราวนี้กันอีกอย่างก็คือพ่อครูก็สุดท้ายก็มาพูดเรื่องเรื่องของ อ, อะไระรูปสารีบุตรนะบอกว่าลักษณะของสารีบุตรก็คือคนที่ฟังสาระได้รู้เรื่องเข้าใกล้คือถ้านั่งใกล้พ่อครู่าเงี้ยถ้าเกิดฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่สารีบุตรนะก็เป็นตัอย่างเหมือนกับกรารมนิดหนุ่ม ม, มันการมนุษย์นไม่รู้รเรื่องแต่ถ้าพูดรู้เรื่องเหมือนภาษาดิบุตรครับที่ต้นเทศที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็สาษาบุตรได้ยินหมดเลยเหมือนกันนั่งอยู่ที่ข้างภูเขาได้ยินประปเทศโปรดมารดายอยู่ในสวงสวรรค์ภาษาดิบุตรก็ได้ยินหมดเก็บหมดครับก็คือหมายความว่าได้ประโยชน์จากสิ่งที่ที่เทศแล้วเราก็ไปฝึกฝนตัวเองด้วยได้ด้วยนะนะแล้วก็พูดถึงชมภูทวีนะซึ่งจะต้องมี มีสุราภววคือหมายความพวกเราเนี่ยเจริญเติบโตระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องมาสร้างสติอันนี้แตมาเห็นด้วยมากเลยว่าพวกครัวทีบายในวรบเนี่ยจะได้เห็นอย่างหนึ่งเลยว่าอ๋อมีรายละเอียดที่เราจะต้องตั้งสติรู้ให้เท่าทันละกิเลศแล้วก็สติธรรมพุทชงจริงๆมันเป็นยังไงสติประฐาน4ีจริงๆมันเป็นยังไงแล้วเราปฏิบัติถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยมีรายละเอียดมากซึ่งถ้าใครมาศึกษาเนี่ยแตมาห์ว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็จะแม่นชัดประเด็นในรายแทงอันนั้น บางทีเราฟังไปเรื่อยเนี่ยบางทีเราก็ได้ระดับหนึ่งละแต่ตอนนี้พระครูจะมีรายละเอียดทําให้เราแม่นชัดและก็ชัดเจนในจิตวิญญาณด้วยในการปฏิบัติธรรมในทารู้ละกิเลสด้วยดันั้นความหวังที่เราจะบรรลุธรรมในการตัดกิเลสได้เนี่ยมันเป็นความหวังที่เราจะได้อย่างแน่นอนนะในในรายแทงที่พระครูอธิบายในระยะนี้ <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือไม่ให้อธิบายแบบเร็วอธิบายชา้ชาชา้าแล้วก็ซ้ําย้ํา แล้วแล้วเล่าเลด้วยนะยกตัวอย่างอีกทัางหาครับเช่นลําไ ย, ยงนี้เป็นต้นฟักข้าวนี่เป็นต้นยกตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วก็อธิบายละเอียดด้วยซึ่งเราจะทําจิตของเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีความชัดเจนอ่ะมันเหมือนกับจับมือเราเขียนน่ะจับมือเขียนอันดับานเขียนกอนะลูกนะขอนะค อ, อนะให้ชัดเจนเลยเนี่ยอัตมาว่าเราก็จะได้แล้วก็สร้างความเป็นพรมในจิตวิญญาณเราให้เกิดขึ้นได้ได้มาขึ้ น, นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็อธิบายเรื่อง รูปต่างๆนานาซึ่งก็เราก็ต้องไปศึกษากันดูว่าเป็นอย่างไรบ้างและสรุปว่าท่านก็บอกว่าเรามาช่วยกันสร้างค่าสร้างคนช่วยกันนําพาย้ํามากเลยมาช่วยกันนะแสดงว่าศาสนาพุทธเนี่ยทำคนเดียวไปได้นะอ๋อไปทําคนเดียวเราแล้วก็ได้เห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าใครไปทําคนเดียวโดดเดียวเนี่ยอาตมาว่าดูแล้วนะถึงแม้จะดังไประดับหนึ่งเนี่ยแต่ก็จะล้มเหลวในอนาคต เท่าที่ประเมินดูแล้วก็ดูเท่าที่ชีวิตเป็นนักบวชมาแล้วก็ทํางานศาสนามาเนี่ยก็จะเป็นงั้นแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยต้องร่วมมือกันทําในหมู่มิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วจะประสบผลสาเร็จอย่างยิ่งเพราะว่ามันช่วยกันช่วยกันขัดช่วยกันเกเ่ยเหมือนพรา อ, อครูบอกว่าสิ่งที่ร้ายเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ให้มันโดดเด่นให้มันมีคุณค่าได้อัตมาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะตมาทเทียบใจตัวเองเนี่ยเวลาสิ่งที่ขัดใจเราเรามักจะเคลียร์ออกก่อนเลย คืออย่ามายุ่งเอาแต่พวกที่เราเห็นด้วย เ, เห็นด้วยกับเราเนี่ยมาก่อนมันจะง่ายแต่ว่าคนที่มีปรรัญญาคนที่มีความสามารถจะใช้สิ่งที่ร้ายนี่แหละมาใช้ประโยชน์ในการทํางานศาสนาในการสร้างสารรค์ซึ่งจะทําให้เกิดผลการเจริญและสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นอาแล้วแตมาว่าปเป็นการขัดเกลา่ายางดียิ่งเพราะคนที่อยู่ด้วยกันมันจะได้ลดกิเลสซึ่งกันและกันนะ ถ้าตัวร้ายขึ้นมาเนี่ยคนมันก็จะไม่ชอบมันไม่ชอบปุ๊บก็จะทํำตรียากันแน่นอนเลยปุบปุบปุบปุบบปุบบแล้วกิเลสตัวตนมันจะลดลงแล้วถ้าเราทนกันได้อยู่ด้วยกันได้ช่วยสร้างกันได้แต่ว่าสังคมมันจะสมบูรณ์มากคิดง่ายๆคนเราเนี่ยคนโศดเป็นคนดีแท้ๆทุกคนเนี่ยมีจิตนิสัยต่างกันเรายังทนไม่ได้เลยแล้วคนโลกโลกที่มันแย่กว่านี้เนี่ยเราบอกจะไปอยู่กับเขาอ่ะจะไปอยู่ยังไงอ่ะใช็นไหมก็แค่นี้คนดีอ่ะ ดีด้วยกันทางนั้นแต่มันจะมีจริตนิสัยต่างกันทําไมเราไม่ทนนะเราจะไปทนเอาคนโลกไปทนทำไมคนเหล่านั้นที่ไม่ใช่มีดีอะไรถ้าไม่มีดีอะไรเลยในสังคมอ่ะคนเหล่านี้ดีและน่าเคารพบูชาด้วยแต่ว่ามีจริตนิสัยอะไรต่างกันเนี่ยเราก็มาช่วยเหลือกันสร้างสรรค์อัตมาว่าสังคมมันจะดีขึ้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับและก็อนุโมทนาทุกคนที่ฟังธรรมเนวันนี้หวังว่าความเจริญความผาสุกในธรรมะก็จะเกิดขึ้นกับทุกผู้ทุกคน เธอจะเรียนทำ